หาพระธรรมคือสงบหรือไม่สงบเนี่ยบางทีมันอยู่ที่เรื่องอย่างสมมุติถ้าเราอยากฟุ้งซ่านเนี่ยฟังเรื่องบางเรื่องนี่ฟุ้งทันทีเลยถ้าเราอยากสงบฟังบางเรื่องสงบเลยก็มีเพราันเขาเรียกเขาเลือกที่นิมิตนะเขาบอกว่าเลือกที่นิมิตภาษาธรรมะใช้เคเอ อ, อุเบกขานิมิตปัจขานิมิตวิปัสนานิมิตพวกนี้เป็นต้นวิปัสนานิมิตเนี่ยนะถ้าถ้าปัญญาไม่ดีเนี่ยจะหนักไปทางฟุง้งซ่าน แล้วถามสมถานิมิตเนี่ยนะถ้าฟังไม่ดีแล้วมันง่วงอใจเข้าลเลืกลกอกๆนะฟังแป๊บเดียวเนี่ยนะแมหันไปดูทีเปิดไฟมานี่นั่งสับประงกโยกเยกไปหมดเลยหลายแห่งเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้านั่งฝึกอย่างนั้นไประยะหนึ่งกลายเป็นคนนั่งเมื่ อ, อไรและคอพับคอเอียงทุกทีไปเนี่ยนะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งโอ้ยนิ่งก็เป็นหลับเลยนะนิ่งก็เป็นคอพับคอเอียงโยกซ้ายโยกขวาดีไปเป็นโรคกระเพาะเนี่ยนะเพราะว่ามันมัน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 นะมันต้องนึกก่อนเหมือนกับว่าอหนังสือเนี่นะถ้ามือไม่เปิดตาไม่อ่านหรอกนะเพราะตามันมันเปิดหนังสือไม่ได้ใช่ไหมเพราะถ้าอ่านพระไตรปิฎกถ้ามือไม่ยอมทํางานแลยไม่ยอมพลิกไม่มีใครไม่อะไรสักอย่างเลยนะตาไม่รู้จะอ่านอะไรเหมือนกันนะเพราะใช้เปลือกตาไปเปิดหนังสือก็ไม่ได้ชั้นใดก็ดีวิปัสสนาทั้งหลายก็เนื่องด้วยอาวัชนะต้องอยู่ที่การคํานึงการลเพึงการใส่ใจในสิ่งเหล่านั้นบ่อยๆ คำว่าสิกขาเนี่ยนะโดยเฉพาะอธิปัญญาสิกขาก็คือเมื่อรู้เมือ่อเมือ่อนึกถึงเมือ่อรู้เมือ่อเห็นเมือ่อพิจารณาเมือ่ออธิฐานเมือ่อสมาทานเป็นต้นแล้วนะั่นแหละปัญญาเป็นต้นจึงจะเกิดขึ้นเนี่ยนะเราก็ต้องหมั่นตั้งอวัชนะให้เป็นไปกับการวิจัยอริยสัจไดบ้บ่อยๆถ้าเลือกทำอย่างนั้นได้ บ, บ่อยๆปัญญาก็จะเจริญยิ่งขึ้นไปที่นี้ ธรรมวิทยะสามโพชงเนี่ยนะคเราจะต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับขันอายตนะธาสัจจะอินทรีย์ปฏิจจะสมุบบาทเนี่ยนะหาข้อมูลในสิ่งเหล่านี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้ามีอัธยาศัยที่จะเจริญปัญญาถ้าจะมีอัธยาศัยเจริญปัญญาต้องเก็บข้อมูลในนสุตตามยะเนี่ยนะเพในโลกนี้การเรียนเนี่ยสำคัญที่สุดอยู่แล้วสําหรับคนที่คิดอะไรเองไม่เป็นเนี่ยนะจะต้องเรียนพ้นผู้ที่จะตรัสรู้อริยศาสตร์เหมือนกัน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 มีสูตรหนึ่งเนี่ยยังชอบอยู่เลยชื่อว่ามหาสุญญาสูตรพระองค์บอกว่าดูก่อนอานน์แต่นะสาวกไม่ควรติดตามาศาสดาเพียงเพื่อเรียนสุตติยะและวยากนแปลภาษาไทยว่าอย่ามุ่งเพื่อทรงพระตายผิดกอย่าไปมุ่งเอาตรงนั้นเพราะอะไรเพราะบางทีปัญญาเรามันน้อยเกินกว่าที่จะไปไปทำกิจเหล่านั้นเหล่านั้นได้แต่สาวกควรมุ่งมุ่งเพื่ออะไร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 อันนะั้นถาว่าด้วยการมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีอแล้วก็สังัดวิเวกเนี่ยนะมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีวิเวกมีอวิริยะสะตะิสมาธิปัญญาอนนเออขออภัยวิริยะแล้วก็มีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานทัศนะอะถ้าเรามีความเข้าใจอย่างนั้นแต่ละข้อแต่ละข้อจําไม่ดีนะเอาใหม่นะ มักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีวิเวกปรารบความเพียรห้าคำเลยนะศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานุทัศนะถ้าเราเข้าใจแต่ละอย่างปั๊บฟังพระไตรปิฎกหรืออ่นานพระไตรปิฎกให้เป็นคาถาวัตถุสิบบรรทัดนี้ย่อความหัวย่อหน้าอันนี้ข้อความตรงนี้หมายถึงอะไรในสิบข้ออันะก็ฟังให้เห็นถ้าเป็นตรงไหนเป็นปัญญาคาถาก็นั่นเน่ยเกี่ยวกับอริยสัจทั้งหลายน ะ, นะเกี่ยวกับเรื่องปัญญาแน่นอน ถ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะการเรียนมากเรียนเรียนขนาดไหนก็ก็มีมีเป้าหมายที่ชัดเจนการฟังธรรมก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนเพราะบางคนเนี่ยพอเรียนไปเรียนมาบางคนก็พูดอย่างไงโอ้ยพระไตรปิฎกมันมีแต่ซ้ําๆอ่านไม่มีอะไรเลยว่ากันอ่านเมื่อไหรเมื่อไหรก็ดูซ้ําๆๆ้ำๆกันโดยคํานี่ซ้ําจริงแต่โดยคุณธรรมนี่ไม่ซ้ำเลยนะเป็นการ เ, าเรียนเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรมเพิ่มพูนคุณธรรมอยู่ตลอดเวลาเพิ่มพูน คุณธรรมที่จริงถ้าถ้าคิดแบบนั้นว่าทําไมเราต้องทานข้าวบ่อยๆเมื่อช้เมื่อวานก็ทานแล้วไม่ใช่หรอปีที่แล้วก็ทานข้าวปีนี้ไม่ต้องทานน่าพอละฉันใดทามว่าทําไมต้องทานอยู่อย่างนั้นบ่อยๆบ่อยๆเพื่ออะไรเพื่อพลังงานฉันใดการฟังการอ่านก็เพื่อพลังตัญญาเป็นต้นฉันนั้นเนี่ยนะเพื่อฟังการฟังการอ่านการค่อยควรการพิจารณาเพื่อเพิ่มพูนกระทวัตถุศีลเพื่อเพิ่มพูน อริยทราบเหล่านี้เนี่ยนะทำยังไงอริยทราบคือศรัท ธ, ธาเป็นต้นจะมีคุณธรรมเต็มเปี่ยมจนเรียกว่าศรัท ธ, ธาก็ถึงเอาขนาดไหนดีเป้าหมายขนาดไหนศรัท ธ, ธาจนกว่าจะมั่นคงไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยเนี่ยนะจะต้องเพิ่มศรัท ธ, ธาให้ได้ขนาดนั้นเป้าหมายนั่นคือเป้าหมายจะต้องมีศรัท ธ, ธาไม่เปลี่ยนแปลงจากพระรัตนตรัยเนี่ยนะในรัตนสูตรพระองค์ตรัสว่าเสาเขื่อน เสาหินเนี่ยนะที่เสาเขื่อนก็ได้เสาหินก็ได้ที่ปักลงดินตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่กำเริบลมที่มาจากทิศทั้งสี่ชั้นใดลมจากทิศสี่เนี่ยนะพัดเสาหินให้สะเทือนได้ไหมไม่ได้ชั้นใดพระอริยส า, าวกผู้เห็นอริยสัจธรรมแล้วก็ชั้นนั้นไม่หวั่นไหวในคําของบุคคลอื่นนะแล้วก็พระอริยส า, าวกผู้เห็นอริยสัจดังกล่าวแล้วไม่มีอภิฐานหกประการ ท่านจะไม่ทําอนันตริยกรรมและไม่นับถือศาสดาอื่นเด็ดขาดอันนั้นคือคือคุณธรรมของพระอริยาสาวกนั่นคือสังขารตนะเพราะฉถ้าเรามีเป้าหมายที่ทางชัดเจนว่าการเจริญโพชชงเป็นต้นของเราทั้งหลายเพื่อความเป็นพระโสดาวันเพื่อความเป็นพระสกท า, าคามีเพื่อความเป็นพระอนาคามีเนี่ยนะทีนี้ถามว่าในชั้นต้นตนเนี่ยนะแหมมันมันสับสนไปหมดเลยไม่รู้ทําไงดี จเจริญกุศลเมื่อไใดก็ตั้งความปรารถนาไว้เถอะเดให้ทานทักษะศีลฟังธรรมเจริญกุศลแลรวอย่างใดอย่างหนึ่งขอบุญกุศลเหล่านี้จงเป็นไปเพื่ อ, อ น, นะเรากําหนดทิศทางให้ตัวเองบ่อยๆเลยกําหนดอธิษฐานอัดตั้งอัตตะสัมมาปณิทิปบ่อยๆตั้งความปรารถนาบ่อยๆว่าเพื่อเพื่อเพื่อถ้าหากว่าเราไม่มีเป้าหมายเพื่อสิ่งนั้นเพื่อสิ่งนั้นนะยังไงเราก็ไม่สนใจมันมันแปลกว่าถ้าเราไม่มีใจกับสิ่งนั้นเราจะไม่อยากสนใจกับเรื่องนั้นเลย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 เหมือนสหายเก่าที่จากกันไปนานแล้วเจอหน้ากันคุยถึงเรื่องความหลังครั้งเก่าแก่เลยนะอุ้ยคุยได้ยาวเนี่ยคุยมาคำหนึ่งอีกคงก็จะต่อช่วยกันต่อแต่ถ้าไปคุยเรื่องอื่นจากนั้นบอกเลิกคุยกันไม่มีอะไรจะคุยชั้นใดก็ดีใครที่มีอัธยาศัยในกามทั้งหลายก็เป็นฉันนั้นถ้ามาคุยในเรื่องของเนคขมมะคุยถึงเรื่องสมถาวิปัสสนาเขาไม่ชอบเนี่นะทีนี้ในระดับล่างเหมือนกันใครที่มีอัธยาศัยใน มหากุศลนเฉยๆระดับล่างๆเนี่ยนะถ้าคุยเรื่องฌานไม่เขาเฉยๆนะเพราะเขามียทายาสัยแค่ทานศีลแบบทั่วๆไปเขาไม่ต้องการระดับสูงอะไรเพราะคุยในระดับสูงต่อไปเขาจะเฉยๆทีนี้คนที่ได้ระดับรูปฌานเนี่ยนะถ้าไปคุยเรื่องอรูปฌานเขาเฉยๆถ้าคนที่ได้อรูปฌานถ้าไปคุยเรื่องอสังขตะธรรมเรื่องพระนิพพานเขาก็เฉยๆเขาไม่สนใจแต่ถามว่าทํายังไงให้มันสนใจได้ทุกเรื่องทําไง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 ก็เริ่มเอาอริยสัจมาคิดขอให้มีใจเถอะนะชั้นแรกๆเนี่ยนะอย่างพัดบอกตรงจริงขอมาพระไตรปิฎกบางเล่มไม่สนใจเลยนี่ทําไงดีแต่ว่ารู้ว่าดีก็แล้วกันนะ่ะแต่เชื่อว่าดีอะ่ะเพราะว่าเปิดดูแล้วก็เนื้อหาก็ดีแต่ว่ามไม่อยากรู้ไม่อยากอ่านทําไงดีนีน่แล้วก็ไม่มีใครมาสั่งให้อ่านด้วยนะก็กล่อมตัวเองก่อน ดีนะเล่มนี้เนะี่ยเราดูสิเล่มก็โตนะเนี่ยเนื้อหาเท่าไร่ถ้าทำนี่นี่ดูสินี่ก็น่าสนใจต้องหาเวลาอ่านให้ได้นะเรียก็พูดแบบภาษานึ่งก็เหมือนกับหลอกตัวเองอะแต่ไม่หลอกนะกล่อมเรียกเกลี้ยกล่อมตัวเองถามว่าเกลี้ยกล่อมตัวเองให้เจริญกุศล น, นี่ควรทําหรือไม่ควรทําำควรทํานะบางทีเนี่ยสมมุติว่าอย่างถ้าเรามีลูกมีหลานเนี่ยส่งให้ลูกไปเรียนหนังสือขยันทุกวันไหมล่ะ แล้ก็ต้องคอยเกลี้ยกล่อมใช่ไหมใจของเราบางทีนะ่ะเด็กกว่านั้นอีกเนี่ยนะแบะบอกกันนั้นอีกในบางวิชาเนี่ยนะหลายๆวิชาเนี่ยมันแบะบอกจริงๆมันก็ต้องคอยเกลี้ยกล่อมมาเ อ, อิมดีนะเนี่ยถ้าเราเนี่ยถ้าทำไม่ได้ฟังเราจะสูญเสียโอกาสขนาดไหนนี่เราขาดความรู้ไปเท่านั้นนะ่นนี่ดีนะแล้วก็เกลี้ยกล่อมเนี่ยพระธรรมกว่าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีเสียสงไข่แสนตับ ก, กว่าจะได้ตรัสรู้พระธรรมสูตรนี้อู้ดีเชียร์อยู่แค่ปีสองปีเองก็อ่านใช่ เพาบางคนไปบ อ, อ๊ยเขาแคดแคด่ไม่กี่วันเนีราเขามานี่เป็นปีๆเนี่ยนะบางเรื่องนะโครงการไว้ยี่สิบปีอย่างเงี้ยอันนี้เล่าให้ฟังนะว่าบางเรื่องนะเขามาตั้งเ ป, ป้าไว้สิบปียนะี่สิบปีเนี่ยไม่ได้รีบเร่งอะไรหรอกแต่ว่าเลิกไม่ได้ก็คือต้องมีใจเพราะถ้าเราไม่มีใจไว้ก่อนนะอย่าไปคิดนะว่าเราจะจะจ ะ, จะสนใจจะรักรู้จะฝ่ายรู้อย่างที่โยมคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าเขานั่งรถผ่านสำนักเรียนอภิธรรมแห่งหนึ่ง เขาเขาเห็นป้ายปั๊ บ, บก็เขาอยากเรียนบ้างแล้วก็ลืมไปเลยยี่สิบสามสิบปีผ่านไปจริงว่านั่งเรียนอะพี่ธรรมก็ก็ก็เป็นยังไงอะไรสนใจคิดดูนั่นมีใจทิ้งไว้ตั้งกี่ปีอยี่สิบสามสิบปีนี่ก็เหมือนกันไม่สายหรอกขอถามว่าที่ผููนี้อยากให้เรารู้อะไรอยากจะบอกว่าให้เรามีใจกับธรรมระดับสูงก่อนจริงอยู่ปากเราบอกปราถนามัทผลนิพพานเชื่อเขามาไม่ว่าหรอก โดยคำแต่ว่าเราไม่มีอัธยาศัยไอ้นี่มรรคผลในผนคืออะไรแบบมีใจจริงๆอะนะแบบคนมีใจมีคนสนใจคนชอบใจแบบเราแต่เช่นอะไรนะถ้าเราชอบดอกไม้เราจะสนใจรายละเอียดทุกอย่างเลยฉันใดอย่างอริยสัจทั้งหลายเนี่ยถ้าเรามีใจในอริยสัจจริงๆเนี่ยเราจะชอบทุกเหมือนกับว่าคนดูดอกไม้เนี่มันดูได้ทุกกลีบจริงๆเลยนะดูได้ทุกกลีบแม้กระทั่งมันมีใยอะไรในนั้นอะมันดูหมดเลย เพราะมันชอบอ่ะฉันใดถ้าเรามีจิตใจใฝ่ต่อการแทงตลอดอริยสัจเนี่ยเราจะสนใจในรายละเอียดทุกประการทุกอย่างโดยประการตั้งวงแต่ถ้าเราอ่อารเมื่อไรฟังเมื่อไรแล้วเราไม่มีใจเลยไม่ไม่ชอบเลยไม่อยากรู้เลยทั้งๆ ท, ท, ท, ที่รู้ว่าเป็นเรื่องดีแต่ทําไมใจเราไม่ยอมรับเลยแปลว่าเราไม่มีใจกับสิ่งนั้นอย่างเต็มที่มันเบื้องต้นเวลาทําบุญเนี่ยตั้งความปรารถนาขอให้มีใจก่อน เกียกล่อมตัวเองไปว่าถ้าเราเสื่อมจากกุศลธรรมเหล่านี้เสื่อมจากการรู้เห็นอริยสัจธรรมเราเสียหายขนาดไหนอ น, นะเสียไหมถ้าเราไม่เห็นอริยสัจเนี่ยนะเปิดเออเกิดมาในโลกนี้มาพบพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่าได้เอะเว้นจากอักขณะทั้งแปดหนึ่งไม่ได้เกิดในนรกสองไม่ได้เกิดเป็นเปนเรตสามไม่ได้เกิดเป็นเดรัจฉานไม่ได้เกิดเป็นพวกมีลักขะเนี่ยนะเป็นผาเป่าเผาป่าเถื่อนอยู่ที่อื่นแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่เอ ถึงอยู่ในชนบทก็ได้คบกัลยานมิตรเป็นผู้ที่มีสติมีปัญญาไม่บ้าบ้บอดหนวกเป็นต้นไม่ที่การทางสติปัญญารู้ดีรู้ชั่วพระธรรมคําสอนก็มีอยู่นนะว่เวลาของเราที่จะแบ่งให้พระธรรมเป็นต้นก็ยังมีอยู่สติปัญญาก็มีอยู่เพราะฉะถ้าเราเสื่อมจากคุศสธรรมเหล่านี้เราจะเสื่อมขนาดไหนก็บอกว่าพ่อค้า ท, ที่เรียกว่าค้าขายกําไรต่อหน้าต่อตาที่แสนหนึ่งสมัยก่อนนะแสนหนึ่งสมัยนั้นอแพงมาก ฉั้นใดก็ดีก็เหมือนกับว่าถ้าสินค้าบางอย่างก็เหมือนกับพ่อค้าที่พลาดจากสินค้าบางอย่างฉันนั้นเนี่ยนะหรือถ้าพูดแบบภาษานักลงทุนว่าพลาดจากการลงทุนบางอย่างเนี่ยนะพลาดจากการลงทุนบางอย่างเนี่ยถือว่าโหเสียหายชันใดถ้าเราพบพระพุทธศ า, าสนาถ้าเราไม่ได้ลงทุนสติปัญญาเป็นต้นเอาไว้ในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าองค์นี้แล้วเนี่ยองค์หน้าต่อไปเนี่ยเราจะอยู่ในสภาพไหนเนอแล้วก็ต้องมามาค่อยๆเฟ้นก่อนว่า ทำยังไงที่เราจะมีฉันทะปลูกฝังใจรัก ว, ว่า อ, อสติสัมโพชฌงนี่ดีนักแลดีนักแลเอ็ดียังไงเนี่ยนะ่ยทำยังไงนะใจเราจึงจะอยากมีแบบนั้นบ้างอะ่ะคือเราขอให้มันมีใจก่อนให้มีน้ําใจฝ่ายรู้คอยเกลี้ยกล่อมตัวเองเถอะเพราะโลกช่วงนี้เนี่ยนะโดยเฉพาะวิชาเดียวที่ระดัะที่ไม่มีใครสั่งใครวิชาที่เหลือภาคบังคับหมดสั่งหมดแก่ไม่ทําอย่างนั้นอย่างนี้ไปต้นเนี่ยนะวิชาผู้ศาสนาเนี่ยไม่มีใครสั่งใคร ที่เรื่องนี้จําเป็นที่สุดสําคัญที่สุดแต่บอกตามอัธยาศัยก่อนแล้วกันนะแต่ถ้าวิชาอื่นๆเนี่ยสั่งเลยนะแกต้องทำแกต้องเรียนถะแกไม่เรียนตัดพ่อตัดลูกนะตัดญาติตัดมิตรตัดพวกตัดท้องแม้ทำได้หมดนะแต่ว่าพระพุทธศ า, าสนาบอกแล้วแต่เขานะนะนะทํ า, า, า, าทเป็นเหมือนผู้อยากผู้ใหญ่เหลือเกินเลยนะถ้าสามัญเหมือนว่ามีสามัญจะสํานึกจริงๆเลยแต่จริงๆแล้วทางผู้ศ า, าสนาเป็นเป็นเป็ น, ปนถ้าเป็นสมัยก่อนเลยนะ สมัยอนาถบินทิกาเนี่ยสั่งเลยนะทำลูกเอาทุกอย่างเลยนะจ้างฟังก็เอาอ่างั้นนะทั้งครูทั้งเที่ยวทั้งเกณเพราะเป็นสิ่งที่ที่ดีมีประโยชน์จริงๆของเราทั้งหลายเราทําคุยกระจายเราไว้อย่างไงบ้างนะคุยกับพญาจิตรราชของเราไว้อย่างไงบ้างเราจะขอรู้อะไรขอเรียนอะไรขอรู้แค่ไหนรู้อย่างไรเป็นต้นเนี่ยนะต้องต้องคุยกันให้ดีๆเนี่ยนะไม่งั้นเนี่ยใจเขาไม่เอานะคือใจของเราเนี่ยนะมันก็ไม่ค่อยชอบบังคับเท่าไหร่หรอก มันทำยังไงที่จะให้เรามีจิตใจฝักใฝ่ต่อต่อคุณธรรมชั้นสูงเนี่ยนะต้องมีฝุกมีใจก่อนนะเ อ, อสมมติถ้าเราเป็นคนเอ่าเป็นสมมุติถ้าเราเป็นโทสะเจริตีญโกรธง่ายเครียดง่ายไม่สบายใจบ่อยไม่ดีเลยนะเนี่ยนะถ้าเราปล่อยให้เป็นแบบนี้ระยะยาวๆเสียหายนะไม่ดีนะถ้ามีเมตานี่ดีต้องมีเมตานะชาตินี้เราต้องมีเมตานะ เราจะต้องมีเมตตาระดับไหนก็มาค่อยคิดเนะ่นะค่อยค่อเปิดใจไว้ก่อนค่อยค่อยเปิดใ จ, ป เ, ปดใจเปิดประตูใจเอาไวมา้มากๆในที่สุดมันก็จะน้อมไปเพื่อมีเมตตามันก็จะมีได้อย่างเหมือนกับว่าคนที่ไหว้พระพระในวัดเมืองไทยเนี่ยวัดมีวัดเป็นหมื่นหมืนวัดเราน่าจะได้มีบุญได้กราบพระพุทธรูปเกือบทุกวัดหรือทุกวัดได้ก็ยิ่งดีแล้วไหว้ทุกวัดที่มีพระพุทธรูปก็ไหว้ด้วยปีติโสมนัสไหว้ด้วยจิตใจที่เรื่อมใส่เป็นต้นเนียนะ หรือพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุมีทั่วไปขอให้ได้กราบได้ไหว้ทุกองค์ไหว้ด้วยจิตใจที่ประกอบด้วยความเลื่อมใสปีติและโสมนัตตามระลึกนึกถึงคุณถ้าตั้งความปรารถนาด้วยใจจริงแบบนั้นนั้นมันทําได้และมีความสุขด้วยเวลาได้กราบได้ไหว้ฉันใดผู้ที่มีใจต่อการเจริญกุศลธรรมชั้นสูงก็ชั้นนั้นเราก็ต้องคอยเปิดประตูใจของเราเหมือนกัคอยอธิบายคอยชี้แจง อันนะั้นคือบังคับไม่ได้เราเชื่ อ, เ ร, อเราเอาไหมให้คนบังคับเราไม่ได้ฉันใดใจของเราที่จะเพิ่มภูมคุณธรรมทั้งหลายก็ฉันนั้นภาษาธรรมะเรบอกว่ า, วารู้โทษของการไม่มีโทษชงเห็นอนิสงส์ของการมีโทษชงเหมือนกับว่าเห็นโทษของการทุศีลแล้วก็เห็นอนิส ง, งส์ของศีลฉันนั้นเนี่ยนะคนที่จะมีศีลได้ต้องเห็นโทษของความทุศีลแล้วก็ผลกําไรที่เกิดจากการรักษาศีลคนที่จเจริญโทษชงได้ก็เหมือนกัน เห็นโทษของการไม่มีโพ่อชงว่าถ้าเราเสื่อมจากสติสามพ่อชงเท่ากับเราเสื่อมจากประตูพระนิพนพานถ้าเราเสื่อมจากโพ่อชงแต่ละข้อแต่ละข้อเราเสื่อมจากประตูพระนิพพานนะถ้าเรามีโพ่อชงแต่ละข้อเนี่ยนี่คือประตูแห่งความพ้นทุกประตูแห่งความดับทุกนี้คือประตูที่จะทําให้พ้นจากอบายทุกขติวินิบาติเล็งการไกลเอาไว้มากๆเล่งการไกลระยะยาวเอาไว้บ่อยๆถ้าเรามีโพ่อชงเหล่านี้เราจะพ้นทุกอะไรบ้าง ชี้แจงรายละเอียดก็เรียกว่าคุยกับใจของเราให้เป็นเรื่องเป็นเราแต่ถามว่าทําแบบ น, นี้บ่อยๆดีไหมของเราเนี่ยไปอ่านเรื่องตาลปุตตะเทระคถาเทระคถ า, า, า, าเรื่องสุดท้ายมีภาพรูปหนึ่งเป็นนักกล่อมใจตัวเองตัวยงเลยนะดอดีตท่านเป็นนักร้องเป็นนักร้องร้องเพลงที่มีชื่อเสียงมากปริวานหางวงเนี่ยนะหางเครื่องนี่เป็นร้อยห้าร้อยนะก็แต่ว่าตอนหลังก็มาบวชบวชแล้วก็เป็นคนที่ พูดคุยกับตัวเองกันตลอดว่าจิตเอ้ยเนี่ยนะเมื่อก่อนเธอเคยบอกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่หรือเป็นต้นเนี่ยนะว่ามีการพูดคุยกันภายในเนี่ยนะฉันได้แต่พระพุทธเจ้าสัตในธรรมบดว่าอัตโนโจทย์ตาหนางังก็คือตนเตือนตนคํำว่าเตืนเอตนตนไม่ใช่ขู่ตนนะแนะนําตักเตือนบอกกล่าวเนี่ยนะนะชี้แจงอธิบายเชื่อไหมเราคุยกับคนอื่นเนะี่ยบางทีเราอธิบายดีนะคุยดีอะไรดีแต่คุยกับตัวเองไม่ค่อยดี แลคอกโคกคาบใส่ใจตัวเองอยู่ด้วยงั้นนี่อย่างงี้สิโอ๊ยทําไมประทุษารายประทุษารายใจตัวเองเหลือเกินทําไมขาดเมตตาต่อใจตัวเองขนาดนั้นนั่งเล่าให้ฟังบ้างสิบอกตัวเองคุยกับตัวเองเล่าให้ฟังว่าดีนะพระพุทธเจ้ามีคุณเช่นนี้นะพระธรรมมีคุณเช่นนี้พระสงฆ์มีคุณอย่างนี้นะดูสิเราต้องเลื่อมใสนะเป็นต้นเนี่ยคุยกับตัวเองบ่อยๆเหมือนกับที่เราเกลีย ก, กล่อมคนอื่นหรือพูดคุยกับคนอื่นที่เราคุยกับเขาดีๆ ใจของเราถ้าคุยด้วยกันดีๆบ้างเนะี่ยนะโอาจะประสบความดีไม่ใช่น้อยเขาจะมีศรัทธาเพิ่มขึ้นอีกนะเขาต้องมีศรัทธาเพิ่มขึ้นนะไม่รู้แฉ่งไปทําไมแกนี่มันเลวกันมันไม่ฉลาดกันมันโง่ น, นะเป็นต้นเนี่ยบางคนไม่ชอบดูถูกตัวเองก็บอกว่าเหตุที่ฟังทำแล้วไม่บรรลุเนี่ยนะมีเหตุผลหลายประการหนึ่งดูหมิ่นตัวเองก็เรามันเนี่ยไอเรามันบ้านนอกขอกนาไม่มีปัญญาจําอะไรไม่แม่นแล้วแต่จะหัสรนหาด่านะ สันหามาดูถูกสรรหามาดูหมิน่นสรรหามาเหยียดหยามหยามตัวเองอย่างนั้นอย่างที่สองดูหมิ่นคนพูดดูหมิ่นคนแสดงหรือไงอย่างนั้นอย่างนั้นแหละอย่างนั้นอย่างที่สามก็ดูหมิ่นเรื่องอุย้ยเรื่องนี้ฟังมาแล้วรู้แล้วทั้งนั้นแหละอ่างนั้นหมิห่นมีอะไรอย่างนั้นดูถูกเรื่องอันหนึ่งก็นั่งใจลอยพวกนี้ไม่ได้บรรลุหรอกทั้งนั้นไม่สามารถยังลงสู่สัมมัตตานิยามความถูกต้องแห่งกุศลธรรมโดยชอบ หเพราะไม่เคารพตนสองไม่เคารพผู้แสดงสามไม่เคารพธรรมสะสี่ใจฟุง้งซ่านแต่ถ้าทำตรงกันะข้ามนะเคารพตัวเองว่าเราใครจะไปรู้สังสารวัตรมายาวนานแล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาไม่รู้กี่องค์เราอาจจะสะสมบุญมามากก็ได้แต่เพียงตอนนี้นี่วนมันกลุ่มรุมเท่านั้นเองตั้งใจอีกหน่อยนะเราอาจจะตรัสรู้ก็ได้อาจจะบรรลุได้เร็วก็ได้ใครจะรู้ว่าเราเป็นลูกหลานพระพาหะมาก่อนก็ได้ตรัสรู้เร็วอย่างไงนะมาคุยกับตัวเองดีๆเนี่ยนะ เรามีศรัทธานะต่อไปเอาคนที่เจริญเทวตานุสติเขาก็คิดอย่างนี้แหละใช่ไหมเทวดาเราได้เขามีศรัทธาเป็นต้นเราก็ามีอ่ะอะไรจะไปดูถูกเราทําไมไม่ดูหมิ่นตนอ่ะนะ อ, อย่างที่ว่าใครที่ดูหมิ่นตนเนี่ยแต่ว่าตัวเองต้องทําเลี้ยงตัวเองก็ต้องเคารพตัวเองถ้าสมัยสมัยก่อนก็บอกว่าโคใครเกวียนใครก็ต้องชมโคคนนั้นเกวียนคนนั้ น, น, น, นใช่ไหมเพราะว่าโคคนอื่นเกวียนคนอื่นถึงจะดีจะใหญ่ขนาดไหนก็ไม่ได้บรนทุกเราไปไหนหรอก ก็ไม่ใช่เอกโรคก็โศของเราเนี่ยแหละชันใดก็ดีใจของเราก็อยู่กับเราก็ให้กําลังใจบ้างสิปลุกปลอบใจของเราบ้างนี่ต่อไปเราก็ต้องไม่ดูถูกผู้แสดงว่าพราะเขาก็มีอยู่เรื่องหนึ่งสมัยพุทธกาลเนี่ยพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลใช่ไหมก็คิดว่าพระสมณโคโดมนี่ยังหนุ่มนักเหมนไเพราะถ้าเทียบกับเจ้ารัตที่อื่นๆพระพุทธเจ้าตอนนั้นอายุสามสิบกว่าเองสามสิบ้าสมสิบหกเองนะสามสิบห้าสามสิบหกโอ้พระสมณโคโดมยังเด็กนะอะไรเงี้ยนะ ที่ี่พระ อ, องค์บอกว่าอย่าไปดูถูกนะว่าอะไรนะอะไรกษัตริย์กนี่ว่ายังสรงพระเยาเป็นต้นนี่ก็อสรพิษว่าตัวจะน้อยไฟนี่มันเล็กน้อยจะไม่เผาเมืองเป็นต้นอ่ะนะมันเราก็ต้องไม่ดูถูกอผู้แสดงด้วยเหตุผลใดเพราะว่าอาจจะกล่าวเป็นอัดเป็นธรรมคําที่เขาพูดเนี่ยไม่ใช่ของเขาเป็นของพระพุทธเจ้าก็ตั้งความเคารพไวในธรรมเนี่ยนะว่าเนี่ยเขาเอาพระธรรมของพระพุทธเจ้ามาแสดงนะลองฟังดูซิว่าพระธรรมเนี่ยดีอย่างไรเนี่ยนะพระธรรมเนี่ยที่ เพราะว่าพระธรรมเหล่านี้สามารถตกปักรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติตามไม่ให้ตกไปสู่ในอบายแล้วก็ตั้งอยู่ในความเคารพรำแล้วก็อย่าฟุ้งซ่านเนี่ยนะบอกเห็นโทษของความฟุ้งซ่านว่าคือเคยเห็นคนที่ไปดูอะไรแล้วแหมมันมันพลาดไม่ได้เลยนะสํานวนว่าตาวาวที่จะฟังอันนั้นเมื่อไหร่หูเราวาวโอ้นี่คํานี้ดีนะนี่จะช่วยให้เราบรรลุนี่คําเหล่านี้ถ้าเรารู้จริงนี่บรรลุได้นะฟุะ้งไปทําไมเนี่ยเสียหายขนาดไหน ถ้ามองแต่ละคำแต่ละศัพท์แต่ละศัพท์เนี่ยช่วยบรรลุมรรคผลทั้งนั้นเลยพระไตรปิฎกแต่ละคำแต่ละคำแต่ละพยัญชนะช่วยให้เราบรรลุได้ทั้งนั้นแหละนี่แต่ละคำแต่ละคำแต่ละเนี่ยเหมือนกับรัตนะเลยนะเหมือนเพชรแต่ละหลายร้อยกรัฐเลยนะแต่ละแต่ละบทแต่ละบทแต่ละบทถ้าเราให้คุณค่าให้สร้างความรู้สร้างความเข้าใจอย่างนั้นเราสามารถเจริญกุศลธรรมด้วยฉันทาทิปติก็คือเจริญแบบคนที่มีศรัทธาเนี่ยนะอย่าลืมว่าใครเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธา พระโสดาบันคือผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศรัทธาของเรายังไม่ก้าวเพื่อไปเป็นพรทารหันเลยมั้งเนาะไม่ถึงขนาดนั้นนะขอให้ศรัทธามันเจริญเติบโตขึ้นสรุปว่าชาตินี้ต้องไม่หวั่นไหวในพระรตนาตรั ง, งั้นเถอะจะด้วยเหตุผลใดก็ต้องคุยกระจายของเราจนว่าจะต้องไม่หวั่นไหวในคุณของพระรตนาตรายไม่หวั่นไหวในพระธรรมคือไม่หวั่นไหวในการเห็นอริยสัจธรรมต้องมุ่งเพื่อการเห็นอริยสัจธรรมการเรียนการฟังการคนา้นคว้าการอะไรอย่างอื่นมีเป้าหมายชัดเจนเพื่อการเห็น อริยสัจจะทำถ้าเข้าใจแบบนี้คุณธรรมแห่งใจนั้นๆเนี่ยนั่นแหละคือโพชฌงนั่นแหละคือองค์ที่จะทําให้เกิดการตรัสรู้เพราะมีความมุ่งต่อการตรัสรู้เป็นใจที่อยากตรัสรู้ใจเหล่านั้นมาจําแนกเป็นเจตสิกทั้งหลายเช่นสติเจตสิกเป็นต้นนั่นก็คือแต่ละอย่างก็ชื่อว่าเป็นองค์แห่งการตรัสรู้เนี่ยนะปีติปัสสัตที่สมาธิแต่ละองค์ที่มีอยู่ในใจถ้ามีเป้าหมายชัดเจนแต่ละอย่างก็เป็นไปเพื่อการ ตรัสรู้ถ้าใครปฏิบัติอยู่ในคุณธรรมเหล่านี้อยู่แล้วเนี่ยนะเจริญโพชฌงหรือแม้กระทั่งโพชฌงระดับบรรลุมรรคผลวันหลังมีใครมาแสดงโพชฌงนี่หายป่วยเลยเนะี่ที่หายป่วยนี่เพราะระลึกถึงข้อปฏิบัติเก่าๆที่ตัวเองตั้งใจมาที่ได้ดิบได้ดี mm. เช่นอย่างว่าถ้าเป็นพระโสดาบันอยู่แล้วเนี่ยนะเพราะเป็นพระโสดาบันก็เพราะเจริญโพชฌงจึงได้เป็นพระโสดาบันเมื่อท่านเป็นพระโสดาบันท่านไม่สบายใครมาแสดงโพชฌงให้ฟัง ท่านจะหวนรำลึกถึงความหลังครั้งเก่าๆที่ท่านได้เคยเจริญมาแล้วหายป่วย น, น, นะโดยเฉพาะโรคที่มีจิตเป็นสมุทฐานเนี่ยนัที่เกิดจากบางอย่างหรืออาหารเป็นสมุทฐานบางอย่างเนี่ยพ่ชงเหล่านี้ช่วยรักษาได้วันสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครไม่สบายเขาจะแสดงพ่ชงว่าพ่ชงนี้ดีนักแล้วนะพ่ชงที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วเนี่ยนะย่อมเป็นไปเพื่อมรักผลเป็นไปเพื่อนิพพานเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความ ตรัสรู้โพธิชงเจ็มีอะไรบ้างสติสัมโพธิชงเป็นต้นวิธีเจริญก็เจริญโพธิชงแต่ละอย่างอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อการสละเนี่ยนะแล้นถ้าหากว่าคนที่เขาเจริญคุณธรรมเหล่านี้อยู่แล้วเมื่อฟังเมื่อไหร่ก็สบายใจเนี่ยนะฟังเมื่อไหร่ก็สบายใจเพราะสิ่งนั้นเป็นเป็นคุณงามเป็นความดีที่ที่ช่วยบกปักไม่ให้ตกไปสู่ อบายเป็นต้นเลยนะเพั้นพชงในในช่วงนี้ไม่ได้มุ่งอธิบายในรายละเอียดแต่มุ่งอธิบายในเชิงโครงสร้างเพื่อประดับความรู้ในอย่างอื่นเพราะในรายละเอียดเกี่ยวกับโพชงแต่ละข้อนี้ก็มีโพจชงคาถาในปฏิสัมพิธามมักในอนาคตการมีอยู่ในเรียกว่าพจชงคาถาอยู่อยู่อีกเล่มหนึ่งนะเล่มต่อไปเนี่ยนะซึ่งมีอยู่แล้วก็เลยพูดในลักษณะโครงสร้างกําหนดทิศทางมากกว่าเนี่ยนะ สำหรับปฏิสัมพิธาในวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ทุงนี้ยังกล่าวถึงพาเวตประธรรมนะนะธรรมที่ควรเจริญในสุตตะมย า, ยายนคุธกาเกายปฏิสัมพิธามัตธรรมหนึ่งอ่ะนะทบทวนในข้างหนึ่งนะว่าธรรมหนึ่งที่ควรเจริญคือกายคตาส ต, ติอันสหรคตด้วยความสำราญ ทำสองที่ควรเจริญก็คือสมถะและวิปั ส, สนาทำสามที่ควรเจริญคือสมาธิสามทำสี่ที่ควรเจริญคือสติปัฏฐานสี่ทำห้าที่ควรเจริญคือสมาธิมีองค์ห้าทำหกที่ควรเจริญอนุสติหกทำเจ็ดที่ควรเจริญ โทษชมเจ็ดทำแปดที่ควรเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดทำเก้าที่ควรเจริญปาริสุทธิประธานในยังคะาทำเก้าทำสิบที่ควรเจริญก็คือกสินสิบวันนี้มาขึ้นทำแปดทำหมวดแปดที่ควรเจริญทำหมวดแปดที่ควรเจริ ญ, ค, รญคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดนั้น แปลว่าทางอันประเสริฐนะนะหรือทางที่เป็นเหตุให้บรรลุพระนิพพานอันประเสริฐเพราะมักหมายถึงเหตุเหตุที่ให้บรรลุนิพพานนะอริยะแปลว่าประเสริฐเหตุหรือทางที่จะให้บรรลุพระนิพพานที่ประกอบไปด้วยองค์แปดอันประเสริฐหรือถ้าหากว่าผู้ใดปรารถนาที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเขาต้องเจริญ อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดถ้าไม่เจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดไม่ใช่ฐานะคือเป็นไปไม่ได้ที่จะบรรลุมรรคผลผนิพพานนี่เมื่อพูดกล่าวถึงมรรคทั้งหลายในบรรดาถนนหกสายเขา่างั้นที่จริงในทางศาสนาเรานี่ให้ความสำคัญกับถนนหกสายแต่จริงๆก็ต้องเจ็ดสายนะสายที่หนึ่งก็คือถนนบนโลกนี้ไอ้ถนนบนโลกนี้ ก็รู้กันอยู่แล้วไม่จาเป็นต้องเอามากล่าวณที่นี้ถนนไปโน่นถนนเอเชียถนนซูปเปอร์ไฮเวถนนอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยนะพวกทางแบบนั้นนี่ก็ก็คนที่อยู่ในโลกต้องเรียนรู้อยู่แล้วแต่ทางธรรมะให้ความสำคัญกับทางแห่งคติห้ากับทางเพื่อพ้นคติห้าทางเพื่อพ้นคติห้าอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าอักคติเนี่ยนะเพราะไม่เป็นไปกับคติทั้งห้าพระนิพพานไม่เป็นไปกับ คติห้านี่ก็ทวนนะว่าทางไปนรกก็อย่างหนึ่งทางไปเดรชานก็อย่างหนึ่งทางไปสู่เปรตก็อย่างหนึ่งทางไปสู่มนุษย์ก็อย่างหนึ่งทางไปสู่เทวดาก็อย่างหนึ่ง เ, เทวดานี่รวมทั้งพรมด้วยตลอดจนถึงสุดท้ายคือทางเพื่อพ้นคติทั้งห้าเหล่านี้ก็คือทางอันประกอบไปด้วยองค์แปดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยปัญญาอันชอบ ปรารถนด้วยปัญญาอันชิอันยิ่งโดยชอบโดยถูกต้องและด้วยพระองค์เองซึ่งอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดมีอะไรบ้างหนึ่งสัมมาทิฏฐิสองสัมมาสังกัปปะสาสัมมาวาจาสสัมมากรรมตะห้าสัมมาชีวะหสัมมาวายามะเจด็ดสัมมาสติแปด สมาสัมมาสมาธิเนี่ยนะทำแปดที่ควรเจริญเหล่านี้เนี่ยนะที่เรียกว่าเป็นทางแห่งพระนิพพานแสดงว่ามันมีอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่ทางแห่งพระนิพพานใช่ไหมทิฏฐิในในแปดเนี่ยนะมันเป็นทางแห่งอบายก็มีนะแปดแปดเนี่ยแต่ว่ามันตรงกันข้ามเขาแบ่งเป็นมิชะตะแปดเป็นธรรมที่ควรละกับอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเรียกว่าเป็นธรรมที่ควรเจริญ อีกชื่อหนึ่งเนี่ยแปลว่าสัมมัตตะก็ได้มิชตะเนี่ยนะก็คือมิจชาทิฐิมิจฉาสังกัปตะมิชาวาจามิฉากัมมันตะมิจชอาชีวามิชาวายามะมิชาสติมิจฉาสมาธิพวกนี้เรียกว่ามิชตะหรือมิฉามักก็ได้เนี่ยนะมิชตะแปลว่าการปฏิบัติที่ผิดพลาดส่วนสัมมัตตะอริยมักอันประกอบไปด้วยองค์แปด เป็นข้อปฏิบัติที่ถูกที่ตรงที่ไม่ผิดพลาดแน่นอนเนี่ยนะรับประกันได้เลยว่าแน่นอนถูกต้องไม่มีผิดพลาดอพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์รับประกันรับรองว่างั้นทีนี้ย้อนกลับมาถ้าเป็นมิจฉามรักเนี่ยนะมิจฉามรักเนี่ยขึ้นต้นด้วยมิจฉาทิฐิมิจฉาทิฐินี้เอาอะไรเป็นเครื่องตรวจสอบว่ามิจฉาทิฏฐิ คนที่จะรู้จักสัมมามักิเนี่ยนะจะต้องรู้จักมิจฉามักิคนที่รู้จักทางถูกแปลว่ารู้จักทางผิดเอาแล้วไอ้ทางผิดมันเป็นยังไงอย่างมงคลใช่ไหมมงคลเนี่ยพระพุทธเจ้าจะสอนยว่าอาเสวนาจะพาลานังปันติตานั่นจะเสวนาพระองค์ให้เว้นจากคนที่ไม่สมควรครบ่อนแล้วให้ครบคนที่ควรครบฉันใดมักิแปดก็เหมือนกันเนี่ยนะพระองค์ให้เว้นจากมิจฉามัตคือมิจฉาทิฏฐิกร แล้วให้เจริญสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะมิจฉาทิฏฐิคืออะไรมิจฉาทิฏฐิก็คืออ น, นะเขาเขาแบ่งแบ่งเป็นหลายกลุ่มด้วยกันนะี่ยนะคือออันตานันติกะทิฏฐิเนี่ยนะอันตักคาหิกะทิฏฐิอย่างหนึ่งแล้วว่าทิฏฐิที่ถือเอาโดยส่วนสุดถือแบบประเภทสุดสุดมั้งนั่นแนหะหรือมิจฉอมิจฉาทิฏฐิมีวัตถุสิบปฏิเสธผลบุญผลบาปปฏิเสธการ ทำบุญทำบาปเป็นต้นแล้วก็กลุ่มทิฏฐิกลุ่มหนึ่งก็คือทิฏฐิหกสิบสองแล้วก็สักกายทิฏฐิอีกยี่สิบนะนะทิฏฐิถ้าแบ่งแบ่งไว้แล้วก็เป็นร้อยนแหละ้ะในบรรดาลัทธิมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายที่อยู่ในโลกเอส่วนสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรสัมมาทิฏฐิก็คือกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิวิปัสนาสัมมาทิฏฐิมัตสัมมาทิฏฐิผลสัมมาทิฏฐิเอาสัมมาทิฏฐิที่ เป็นทางแห่งความพ้นทุกข์ก็คือกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเป็นต้นผลพวงของมิจฉาทิฏฐิก็คือทางไปถ้าปฏิบัติอยู่ในหลักการของมิจฉาทิฏฐิถือเอามิจฉาทิฏฐิว่าเป็นสาระผลของมิจฉาทิฏฐิคืออะไรก็เหมือนกับการเดินทางเนี่ยนะถ้าเดินทางเนี่ยเมื่อมีการเดินทางก็ไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางะนะสมควรแก่การเดินทางฉันใด มิจฉาทิฏฐิที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วมีที่ไปสามประการคือหนึ่งนรกสองเปรตสามเดรัจฉานเนีย่ยนะผลพวงของมิจฉาทิฏฐิอยู่ที่นั่นนะผลพวงอ่ะนะก็ดูเลยว่าเาเห็นหมูเดรัจฉานทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยให้รู้เถอว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิแม้กระทั่งผู้ที่ล่วงอกุศลก ร, รัมบททั้งหลายก็นั่นก็เป็นพวงผลพวงของมิจฉาทิฏฐิ มันมิจฉาทิฏฐินี้ให้ผลเป็นนรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานนั้นมิถักทิฏฐิที่บุคคลสมาทานทำให้มากทำให้พรั่งพร้อมไปแล้วนั่นคือผลที่ได้รับส่วนกรรมสักตาสัมมาทิฏฐิถ้าเจริญอย่างถูกต้องผลออกมาก็คือมนุษย์เทวดาแลวก็พรหมถ้าอริยมรรคสัมมาทิฏฐิก็คือพระนิพพานชีวิตของเราเนี่ยนะเราอยู่ปราศจากความเห็นได้ไหม ในวันห น, หนึ่งเลยนะเราอยู่โดยที่ไม่มีความเห็นเลยเนี่ยแต่คําว่าความเห็นเนี่ยแปลว่าความรู้ความเข้าใจเนี่ยนะอยู่โดยปราศจากความรู้ความเข้าใจได้ไหมก็อย่างที่กล่าวว่าวันหนึ่งเราตื่นประมาณสิบหกถึงสิบแปดชั่วโมงเนี่ยนะสิบหกถึงสิบแปดชั่วโมงประมาณเนี่ยต่อวันหนึ่งแล้ววันหนึ่งเนี่ยตื่นตั้งสิบแปะอ่าสิบหกถึงสิบแปดชั่วโมงเนี่ยเรามีความคิดความเห็นของเราเนี่ยมันลังไลไปไหนมากเพราะความเห็นเนี่ยทางธรรมะถือว่าเป็นการเดินทาง ความเห็นนะ่ะคือการเดินทางเพราะทิฏฐินี้เป็นมัชถ้าสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมามัชถ้ามิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉามัชเ น, นีนะชีวิตเนี่ยขณะความเห็นทุกๆความเห็นเนี่ยคือการเดินทางที่สุดของความเห็นอันนี้ที่สุดของความรู้ความเข้าใจอันนี้มันจบลงที่ไหนความความวินิจฉัยอย่างนี้ได้อันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิ ต้องสามารถอ่านให้ออกเลยว่าถ้าเราคิดอย่างนี้จบลงที่ไหนดีอย่างไรเสียหายแค่ไหนธรรมระดับสูงเนี่ยนะคือการชั้นแรกเลยก็คือการวิจัยความคิดความเห็นของตัวเองไอ้ที่เราเห็นเนี่ยมันเห็นถูกหรือเห็นผิดไอ้ที่เห็นผิดทำไมจึงเห็นผิดมันมีองค์ประกอบอย่างไรจึงรู้ว่านี่ผิดนะแล้วผลที่สุดของความเห็นผิดเนี่ยมันจบลงที่ไหน จบอย่างไรแล้วทางดําเนินของมิจฉาทิฐิเป็นอย่างไรเอาแล้วถ้ามันถูกมันถูกทําไมมันจึงถูกแล้วที่สุดของการปฏิบัติถูกมันอยู่ที่ไหนเท่าว่าผลที่สุดของความเห็นอันนั้นต้องต้องวิเคราะห์ให้ออกเพราะว่าความเห็นคือการเดินทางเราจะไปสู่ที่ไหนก็อยู่ที่ความเห็นของเราแหละนะถ้าเห็นถูกต้องก็จบลงด้วยดีถ้าเห็นผิดก็จบลงไม่ดี อความเห็นถูกกับความเห็นผิดอีกวิธีหนึ่งเป็นเครื่องวัดเนี่ยนะความเห็นใดๆที่เป็นความเห็นผิดจบลงที่ความทุกข์ความเห็นใดที่เป็นความเห็นถูกจบลงที่ความสุขนะอันนี้เป็นเครื่องวัดเลยนะว่าความสุขที่เป็นผลเรียกชื่อว่าเป็นผลของความเห็นความทุกข์ก็ชื่อว่าเป็นผลของความเห็นถ้าเห็นถูกมีความสุขถ้าเห็นผิดทุกแน่นอนเนยนะทุกแน่นอนทุกทั้งโลกนี้ทุกทั้งโลกหน้าเป็นต้นเนีนะ เพราะว่าทุกๆความเห็นเนี่ยคือการเดินทางของเราแล้วล่ะให้ความสําคัญอ่ะอย่างคนในโลกจริงๆแล้วเนี่ยเวลาจะไปไหนมาไหนทีหนึ่งโอ้ยเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยนะวางแผนวินิจไฉไขครวญจริงจังมากเลยนะกับการเดินทางว่าควรจะไปรถไปเรือถ้าไปรถต้องไปยังไงไปถนนเส้นไหนค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรให้ความสําคัญกับการเดินทางข้างนอกเขวาว่ากั้นทางทางรถทางเรือทางเท้าเป็นต้นเนี่ย เราให้ความสำคัญกับการเดินทางเหล่านั้นมากถามว่าความเห็นเนี่ยนะทุกครั้งที่เรามีความเห็นเนี่ยมีทัศนคติเนี่ยนั่นคือการเดินทางของเราทุกทุกทัศนคติเนี่ยนะคือการเดินทางของเราเราจะเดินทางไปไหนก็สุดแท้แต่ความเห็นของเราในในขณะนั้นๆในช่วงนั้นนั้นจุดไมายปลายทางมันอยู่ที่ไหนแต่ผลพวขงของการเดินทางก็อย่างว่าเจตนาดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ดวงที่เจ็ดให้ผล ชาติหน้าดวงที่สองถึงดวงที่หกให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นไปทุกๆความเห็นเนี่ยมีเป็นกรร ม, มะปัจจัยนี่หนึ่งนะเป็นอยู่ในกลุ่มกรร ม, มะปัจจัยสองอุปนิสยปัจจัยสะสมอัธยาศัยความเห็นอันนั้นด้วยะทั้งอุปนิสัยปัจจัยและกรรมมะปัจจัยก็จะพาล่องไปในวัตตะทั้งหลายนั่นถ้าเป็นความเห็นเห็นที่ไม่ดีหรือเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องที่ไม่ สมบูรณ์ส่วนความเห็นที่สมบูรณ์นั้นนำออกจากความทุกข์ขอให้เราให้ความสำคัญเต่ว่าความเห็นคือการเดินทางนะความเห็นคือการไปไปไหนไปสู่ความสุขหรือไปสู่ความทุกข์ก็อยู่ที่ความเห็นของเราเนี่ยแล้วอะไรคือความเห็นที่ถูกต้องทวนอีกครั้งหนึ่งนะถ้ารู้ถูกอาจจะรู้ผิดก็ได้ถ้ารู้ผิดไม่แน่ว่าอาจจะรู้ถูกนะถ้าอารู้ถูกตัวความรู้ความเห็นที่ถูกต้องเลยคืออะไรทวนอีกครั้งหนึ่งนะ เราเห็นอย่างไรชื่อว่าเป็นความเห็นถูกต้องเบื้องต้นเลยนะกรรมโลกีะกรรมมสกตาสัมมาทิฏฐิก็คือกรรมสกตายานกรรมัสกตายานกับสัจจานุโลมิขยานอันนี้คือความเห็นที่ถูกต้องระดับโลกยะระดับเราๆท่านๆทั้งหลายที่ไม่ใช่พระอริยเนี่ยนะจะต้องให้ความสําคัญกับกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิกับสัจจานุโลมิขยาน สัมมาทิฏฐิกรรมักตาสัมมาทิฏฐิก็คือความรู้มีสัตมีกรรมเป็นเป็นของของตนทีนี้เวลาเราเห็นอะไรเราคิดถึงอะไรเนี่ยเราใสา่ใจถึงกรรมอยู่เสมอไหมถ้าใส่ใจอยู่เสมอนั่นแหละเป็นเป็นคนที่เดินทางอยู่ด้วยกรรมักตาสัมมาทิฏฐิถ้าไม่คิดถึงกรรมเลยใช้ใจล่องลอยไปเรื่อยคิดถึงเรื่อยรับอารมณ์ในทวารหกไม่ใส่ใจในกรรมักตาเลย ไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องกรรมเลยก็แปลว่าเราไม่ได้เดินทางด้วยกรรมสักตาสัมมาทิฏฐิเราไม่ได้เดินอยู่ในทางสายมารรคคือสัมมาทิฏฐิเราเดินอยู่ในมิจฉาทิฏฐิแล้วละ่ะถ้าเราให้ความสำคัญกับเรื่องกรรมน้อยเพราะว่ากรรมเนี่ยมันเป็นตัวที่สำคัญนะเป็นตัวกำหนดเป็นตัวจัดแจงชีวิตในอนาคตของเราทั้งหมดชีวิตของเราในอนาคตทั้งหมดอยู่ที่ อยู่ที่ความเห็นของเรานะอยู่ที่ความเห็นของเราความเห็นเนี่ยมันเป็นตัวบอกถึงกายกรรมวิจีกรรมและมโนกรรมถ้าเรากําหนดความเห็นของเราไม่ได้แบกชีวิตในอนาคตนี่ก็หน้าอันตรายเหมือนกันนะหน้าเป็นห่วงมากๆเลยพันต้องให้ความสําคัญกับความเห็นให้เต็มที่โดยเฉพาะความเห็นในเรื่องกรรมและผลของกรรมอย่างนะความเห็นในกุศลและอกุศลว่าผลพวงของกุศลเป็นอย่างไรผลพวงของอกุศล ที่มีต่อไปในอนาคตอย่างไรเมื่อรู้อย่างนี้เข้าใจอย่างนี้ก็พัฒนาความสามารถความเห็นให้จนเห็นอริยสัจให้ได้เนี่ยนะจะต้องมีเป้าหมายเพราะว่าความเห็นนี่คือการเดินทางเป็นมัดเราต้องกำหนดทิศทางขององค์มัดให้ได้เนี่ยนะกำหนดเรียกว่าขีดร่องให้สัมมาทิฏฐิของเราให้ได้ถ้าเราขีดร่องให้สัมมาทิฏฐิให้ได้เราก็ประสบแต่ความสุขและความเจริญเป็นแน่ แน่เน่แปลว่ายืนยันว่าแน่นอนเนีน่ยนะพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละเอาตัวความเห็นความรู้ความเข้าใจเนี่ยนะถ้าหากว่าผู้ใดให้ความสําคัญว่าความเข้าใจที่ถูกต้องคือการปฏิบัติถ้าถ้าหากว่าให้ความสําคัญขนาดนี้ทําที่สุดแห่งทุกแน่ ความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องหนึ่งครั้งถือว่าปฏิบัติหนึ่งทีถ้าเข้าใจถูกต้องทั้งวันเลยก็ปฏิบัติทั้งวันถ้าเข้าใจผิดทั้งวันก็ปฏิบัติผิดทั้งวันก็สุดแท้แต่ความเข้าใจถ้าความเข้าใจถูกต้องบางท่านให้สาระกับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องมากถือเอาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นประมาณถ้าเข้าใจถูกอะไรวันหนึ่งนจะดีใจมากเป็นเป็นความดีใจเพราะว่าเป็นปัญญานี่ เป็นความรู้เป็นความเข้าใจเป็นบุญเป็นกุศลเป็นการปฏิบัติเพื่อนำออกจากทุกข์ก็เลยให้คุณค่าให้สาระกับความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องทำอย่างไรเนอเราจะเข้าใจนะเข้าใจในสิ่งนั้นอย่างถูกต้องเพราะถ้าเราเข้าใจสิ่งนั้นอย่างถูกต้องออกจากทุกข์แน่นะปรับความรู้ปรับความเห็นปรับความเข้าใจ เหมือนกับสวคนตาเกิดมาปกติตาเอียงด้วยเคด้วยเลด้วยเนี่ยนะจะต้องปรับยังไงให้มันเห็นภาพที่สมจริงที่สุดเนี่ยนะให้มันเป็นไปตามจริงที่สุดเนี่ยจะต้องปรับเยอะใช่ไหมตรงนี้ยังกล่าวถึงพาเวตาปรธรรมเนี่ยนะธรรมที่ควรเจริญในสุตตะมา ย, ย, ายายนคุถกาเนกาปติสัมพิธารรมัส ทำหนึ่งอ่ะ น, นะทบทวนอในข้างหนึ่งนะว่าทำหนึ่งที่ควรเจริญคือกายคตาสติอันสหรคตด้วยความสำราญทำสองที่ควรเจริญก็คือสมถะและวิปัสนาทำสามที่ควรเจริญคือสมาธิสามทำสี่ที่ควรเจริญคือสติปัฏฐานสี่ทำห้าที่ควรเจริญคือ สมาธิมีองค์ห้าทำหกที่ควรเจริญอนุสติหกทำเจ็ดที่ควรเจริญโพชฌงเจ็ดทำแปดที่ควรเจริญอริยามารรคอันประกอบไปด้วยองค์แ8ดทำเก้าที่ควรเจริญปาริสุธิประธานิยังคะทำเก้าทำสิบที่ควรเจริญก็คือกสินสิบวันนี้มาขึ้นทำแปดทำหมวดแปดที่ควรเจริญ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 หรอถ้าหากว่าผู้ใดปรารถนาที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเขาต้องเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดถ้าไม่เจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดไม่ใช่ฐานะคือเป็นไปไม่ได้ที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานนี่เมื่อพูดกล่าวถึงมรรคทั้งหลายในบรรดาถนนหกสายเขาว่างั้นแต่จริงในทางศาสนาเรานี่ให้ความสําคัญกับถนนหกสาย อะไรจริงๆก็ต้องเจ็ดสายอ่ะนะสายที่หนึ่งก็คือถนนบนโลกนี้ไอ้ถนนบนโลกนี้ก็รู้กันอยู่แล้วไม่จาเป็นต้องเอามากล่าวณที่นี้ใช่ไหมถนนไปโน่นถนนเอเชียถนนซูปเปอร์ไฮเว่ยถนนอะไรทั้งหลายเลยเนี่ยนะพวกทางแบบนั้นนี่ก็ก็คนที่อยู่ในโลกต้องเรียนรู้อยู่แล้วแต่ทางธรรมะให้ความสําคัญกับทางแห่งคติห้ากับทางเพื่อพ้นคติห้า ทางเพื่อพ้นคติห้าอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าอักคติเนี่ย น, นะเพราะไม่เป็นไปกับคติทั้งห้าพระนิพพานไม่เป็นไปกับคติห้า <c oughs> นี่ก็ทวนนะว่าทางไปนรกก็อย่างหนึ่งทางไปเดรชานก็อย่างหนึ่งทางไปสู่เปรตก็อย่างหนึ่งทางไปสู่มนุษย์ก็อย่างหนึ่งทางไปสู่เทวดาก็อย่างหนึ่ง <c oughs> เทวดานี่รวมทั้งพรหมด้วยตลอดจนถึงสุดท้ายคือทางเพื่อพ้น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 เขาแบ่งเป็นมิฉตาแปดเป็นธรรมที่ควรละกับอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเรียกว่าเป็นธรรมที่ควรเจริญอีกชื่อหนึ่งเนี่ยแปลว่าสัมมตตะก็ได้มิชตาเนี่ยนะก็คือมิชาทิฐิมิจฉาสังกับตมิชาวาจามิจฉากัมมันตะมิจชอาชีวมิชาวายามามิชาสติมิจฉาสมาธิพวกนี้เรียกว่ามิฉตะหรือมิฉามรรคก็ได้เนี่ยนะมิชตะแปลว่า การปฏิบัติที่ผิดพลาดส่วนสัมมาตาอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกที่ตรงที่ไม่ผิดพลาดแน่นอนเนีนน่ยนะรับประกันได้เลยว่าแน่นอนถูกต้องไม่มีผิดพลาดพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์รับประกันรับรองว่าไนทีนี้ย้อนกลับมาถ้าเป็นมิจฉามรรคเนี่ยนะมิจฉามรรคเนี่ยขึลนต้นด้วยมิจฉาทิฏฐิ มิจฉาทิถินี้ อ, อะไรเป็นเครื่องตรวจสอบว่ามิจฉาทิถิคนที่จะรู้จักสัมมามัติเนี่ยะจะต้องรู้จักมิจฉามัติคนที่รู้จักทางถูกแปล ว, ว่ารู้จักทางผิดเอาแล้วไอ้ทางผิดมันเป็นยังไงอย่างมงคลใช่ไหมมงคลเนี่ยพระพุทธเจ้าจะสอนเลยว่าอาเสวนาจะพาลานังปันติตานั่นจะเสวนาพราะองค์ให้เว้นจากคนที่ไม่สมควรครบก่อนแล้วให้ครบคนที่ควรครบฉันใด มรแปดก็เหมือนกันเนี่ยนะพระองค์ให้เว้นจากมิจฉามรคือมิจฉาทิฏฐิก่รแล้วให้เจริญสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะมิจฉาทิฏฐิคืออะไรมิจฉาทิฏฐิก็คืออันนั้เขาเขาแบ่งแบ่งเป็นหลายกลุ่มด้วยกันเนี่ยนะคือออันตานันติกะทิฏฐิเนี่ยนะนะอันตักคาหิกะทิฏฐิอย่างหนึ่งแปล ว, ว่าทิฏฐิที่ถือเอาโดยส่วนสุดถือแบบประเภทสุดสุดอะไรเงี้นนยหรือ มิชัดมิจฉาทิฐิมีวัตถุสิบ ป, ปฏิเสธผลบุญผลบาปปฏิเสธการทำบุญทำบาปเป็นต้นแล้วก็กลุ่มทิฏฐิกลุ่มหนึ่งก็คือทิฏฐิหกสิบสองแล้วก็สาการยทิฏฐิอีกยี่สิบนะนะทิฏฐิถ้าแบ่งแบ่งไว้แล้วก็เป็นร้อยนู่นแหละะในบรรดาลัทธิมิจฉาทิฐิทั้งหลายที่อยู่ในโลกเอส่วนสัมมาทิฐิเป็นอย่างไรสัมมาทิฐิก็คือกรรมสกตาสัมมาทิฐิ วิปัสสนาสัมมาทิฏฐิมัตสัมมาทิฏฐิผลสัมมาทิฐิเอาสัมมาทิฏฐิที่เป็นทางแห่งความพ้นทุกข์ก็คือกรรมสกตาสัมมาทิฐิวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเป็นต้นพ้นพวงของมิจฉาทิฐิก็คือทางไปถ้าปฏิบัติอยู่ในหลักการของมิจฉาทิฐิถือเอามิจฉาทิฐิว่าเป็นสาระผลของมิจฉาทิฐิคืออะไรก็เหมือนกับการเดินทางเนี่ยนะถ้าเดินทางเนี่ย เมื่อมีการเดินทางก็ไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางนะนะสมควรแก่การเดินทางฉันใดมิจฉาทิฏฐิที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วมีที่ไปสามประการคือหนึ่งนรกสองเปรตสามเดราชาณเนี่ยนะฮะผลพวงของมิจฉาทิฏฐิอยู่ที่นั่นนะผลพวงอนะก็ดูเลยว่าเเห็นหมู่เดรฉาณทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยให้รู้เถอว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิ แม้กระทั่งผู้ที่ล่วงอกุศลกรรมบด ท, ทั้งหลายก็นั่นก็เป็นพวงผลพวงของมิจฉาทิฐิฉะนั้นมิจฉาทิฐินี้ให้ผลเป็นนรกเปรตอสุรกายและเดรฉานนั้นมิถักทิฐิที่บุคคลสมาทานทําให้มากทําให้พรั่งพร้อมไปแล้วนั่นคือผลที่ได้รับส่วนกนรรมสกตาสัมมาทิฐิถ้าเจริญอย่างถูกต้องผลออกมาก็คือมนุษย์เทวดาและก็พรหมถ้าอริยมรรคสัมมาทิฏฐิ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 แล้วผลที่สุดของความเห็นผิดเนี่ยมันจบลงที่ไหนจบอย่างไรแล้วทางดาเนินของมิจฉาทิฐิเป็นอย่างไรเอาแล้วถ้ามันถูกมันถูกทาไมมันจึงถูกแล้วที่สุดของการปฏิบัติถูกมันอยู่ที่ไหนเร่าที่ว่าผลที่สุดของความเห็นอ น, นันตต้องวิเคราะห์ให้ออกเพราะว่าความเห็นคือการเดินทางเราจะไปสู่ที่ไหนก็อยู่ที่ความเห็นของเราแหละนะถ้าเห็นถูกต้องก็จบลงด้วยดีถ้าเห็นผิดก็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 ทางทางรถทางเรือทางเท้าเป็นต้นเนี่ยเราให้ความสําคัญกับการเดินทางเหล่านั้นมากถามว่าความเห็นเนี่ยนะทุกครั้งที่เรามีความเห็นเนี่ยมีทัศนคติเนี่ยนั่นคือการเดินทางของเราทุกๆทัศนคติเนี่ยนะคือการเดินทางของเราเราจะเดินทางไปไหนก็สุดแท้แต่ความเห็นของเราในในขณะนั้นๆในช่วงนั้นๆจุดหมายปลายทางมันอยู่ที่ไหนแต่ผลพวงของการเดินทางก็อย่างว่า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 หรือเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องที่ไม่สมบูรณ์ส่วนความเห็นที่สมบูรณ์นั้นนำออกจากความทุกข์ขอให้เราให้ความสำคัญกับว่าความเห็นคือการเดินทางะความเห็นคือการไปไปไหนไปสู่ความสุขหรือไปสู่ความทุกข์ก็อยู่ที่ความเห็นของเราเนี่ยแล้วอะไรคือความเห็นที่ถูกต้องโทนอีกครั้งหนึ่งนะถ้ารู้ถูกอาจจะรู้ผิดก็ได้ถ้ารู้ผิดไม่แน่ว่าอาจจะรู้ถูก เอาละถ้าอารู้ถูกต้องความรู้ความเห็นที่ถูกต้องเลยคืออะไรทวนอีกครั้งหนึ่งนะเราเห็นอย่างไรชื่อว่าเป็นความเห็นถูกต้องเบื้องต้นเลยนะกรรมโลกีะ ก, ำกำับรรมมสกตาสัมมาทิฏฐิก็คือกรรมมสกตายานกรรมมสกตายานกับสัจจานุโลมิกรารันอันนี้คือความเห็นที่ถูกต้องระดับโลกยะระดับเราๆท่านๆทั้งหลายที่ไม่ใช่พระอริยะเนี่ยนะ จะต้องให้ความสําคัญกับกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิกับสัจจานุโลมิกยายะสัมมาทิฏฐิกรรมมสกตาสัมมาทิฏฐิก็คือความรู้มีสัตว์มีกรรมเป็นเป็นของของตนทีนี้เวลาเราเห็นอะไรเราคิดถึงอะไรเนี่ยเราใส่ใจถึงกรรมอยู่เสมอไหมถ้าใสา่ใจอยู่เสมอนั่นแหละเป็นเป็นคนที่เดินทางอยู่ด้วยกรรมมสกตาสัมมาทิฏฐิถ้าไม่คิดถึงกรรมเลยใช้ใจล่องลอยไปเรื่อยคิดถึงเรื่อย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 ชีวิตของเราในอนาคตทั้งหมดอยู่ที่อยู่ที่ความเห็นของเรานาะอยู่ที่ความเห็นของเราความเห็นเนี่ยมันเป็นตัวบอกถึงกายกรรมวิจีกรรมและมโนกรรมถ้าเรากําหนดความเห็นของเราไม่ได้ชีวิตในอนาคตนี่ก็น่าอันตรายเหมือนกันนะน่าเป็นห่วงมากๆเลยมันต้องให้ความสําคัญกับความเห็นให้เต็มที่โดยเฉพาะความเห็นในเรื่องกรรมและผลของกรรมนะนะความเห็นในกุศลและอกุศล ว่าผลพวงของกุศลเป็นอย่างไรผลพวงของอกุศลที่มีต่อไปในอนาคตอย่างไรเมื่อรู้อย่างนี้เข้าใจอย่างนี้ก็พัฒนาความสามารถความเห็นให้จนเห็นอริยสัจให้ได้เนี่ยนะจะต้องมีเป้าหมายเพราะว่าความเห็นเนี่ยคือการเดินทางเป็นมัดเราต้องกำหนดทิศทางขององค์มัดให้ได้เนี่ยนะกำหนดียว่าขีดร่องให้สัมมาทิฏฐิของเราให้ได้ถ้าเราขีดร่องให้สัมมาทิฏฐิให้ได้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 เหมือนกับสวคนตาเกิดมาปกติตาเอียงด้วยเขด้วยเลด้วยเนี่ยนะจะต้องปรับยังไงให้มันเห็นภาพที่สมจริงที่สุดเนี่ยนะให้มันเป็นไ ป, นปนตามจริงที่สุดเนี่ยจะต้องปรับเยอะใช่ไหมฉั้นได้เราทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันในทัศนคติของเราเนี่ยนะไม่รู้ทั้งเอียงทั้งเขทั้งเลสรารพัดอย่างเข้ามาเนี่ยนะจะต้องอาศัยคําสอนเป็นเหมือนกระแว่นตาเนี่ยมาปรับให้มันพอดีให้มันเห็นภาพได้อย่างชัดเจน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 เจออยู่ที่กระไกุติเนี่ยนะมันมียอดเขาเลหลายๆเขาเล็กๆ ม, มีหลายลูกมากถ้าลองให้คนปิดตาหลับตาเดินดูสิมันอะไรจะเกิดขึ้นเพราะมันมันจะมันจบางที่มันจะเป็นเหีวเนี่ยนะถ้าเดินเนี่ยนะมันจะเป็นเหีวถ้ามีตาเขายัางชั่วหนะ่อยยังจะดูซ้ายดูขวาดูระยะไกลดูระยะใกล้แล้วจะได้เดินทางถูกมันถ้ามองเห็นไกลๆเนี่ยนะด้วยอนุภาพของสายตาเนี่ยจะทำให้เรา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 แปลว่าเราต้องเพิ่มปัญญาของเราขนาดไหนเราควรมีควรมีความรู้ความเห็นความเข้าใจขนาดไหนขีดร่องให้ความเข้าใจของตัวเองให้ได้ว่าเราต้องเดินเส้นทางสายนี้เนะเป็นทิฏฐิเพราะความเห็นคือการปฏิบัติเนี่ยนะให้ความสาคัญไว้เลยว่าอันดับแรกในพระศาสนานี้ให้ความสาคัญว่าความคิดเห็นความคิดเห็นการออกความเห็นตัวความเห็นนี่แหละคือตัวปฏิบัติ พันธรรมาราจกประวัตนาสูตรให้เรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องแรกเลยที่พระองค์ออกมาตรัสมางั้วเธะมัชชิมาปฏิปทาคือความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องทัศนคติที่ถูกต้องคือการปฏิบัติแล้วในชีวิตที่เป็นจริงเนี่ยนะเรามีทัศนคติอทัศนคติความคิดความเห็นอะไรมั่งที่มันผิดผิดอยู่เพราะถ้าเห็นถูกเราก็ต้องบรรลุสินี่ที่มันไม่บรรลุก็แสดงว่าเรายังเห็นไม่ถูกหรือเห็นถูกก็เห็นไม่พอ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 แต่เป็นสัมมาทิฏฐิ72เอ่อ73ความเห็นที่ถูกต้องและความเห็นที่ถูกต้องต้องเป็นไปตามลําดับอย่างนี้พระพุทธเจ้ามีความเห็นที่ถูกต้องสมบูรณ์ทั้ง73ความเห็นอย่างนะพยายามอ่านเถอแต่ว่าเรื่องของปัญญาเนี่ยคนมีปัญญาคนไ ม, ไม่ไม่มีปัญญาไม่ค่ยชอบหรอกแต่เราก็รู้แต่ว่ า, าก็บว่าเกิดมาเนี่ยนะหลายคนก็บอกอ๊้วเขานี่ยโง่โง่ เอาโง่แล้วก็ปรารถนาะความฉลาดได้ไม่ใช่หรือจะนอนรักนิยมไปทำไมเนี่ยนะทําไมก็ตั้งความปรารถนาะช่างมันเถอเกิดมาไม่ค่อยฉลาดแต่ว่าขอบุญกุศลที่ได้ทำนี่จงเป็นไปเพื่อให้มีสติปัญญาขีดร่องของใจให้เป็นไปตามญาณเจ็ดสิบสามเหล่านี้แหละสมท า, านเลยขอให้มีความเห็นเนี่ยนะเห็นแล้วส่องเห็นญาณเจ็ดสิบามญาณตามที่พระพุทธเจ้าสอนส่องปั๊บเนี่ยลืมตาเห็นอะไร ลืมตาปั๊บนี่เห็นเลยสุตตามยญาญานต่อไปสีลมยญาญนมองเห็นสมาธิภาวนามยญาญนมองเห็นปัจจยะปริคหายานมองเห็นสัมมาสัญาณอุทยพย า, ยานวิปสัญญาณ อ, อาทีนวายานพระยตูปทานายาณเป็นต้นเนี่ยนะก็คือมองเห็นวิปัสสันมองเห็นทั้งหมดตามญาณที่พระพุทธเจ้าวันเมื่อใดเนาะที่เราลืมตาแล้วเราเห็นอย่างนี้หูได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียง ยานะเหล่านี้มันสืบเนื่องเป็นไปนั่นเป็นความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ที่ถูกต้องอยากคิดว่าสิ่งนี้เป็นของยากเกินกว่าที่เราจะไฝ่ฝันเรามีสิทธิตั้งความปรารถนาได้วันนี้ยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรขอให้มีทิศทางให้มีใจไว้ก่อนนึกถึงตัวเองเนี่ยนะเล่าความโง่ให้ฟังนิดหนึ่งอุ้ยอันปฏิสัมพีทธมเป็นวิชาที่ ทั้งง่วงทั้งอุ้ยอะไรสารพัดอยู่ในนั้นหมดแต่ว่ามีผู้สั่งว่าเธอต้องอ่านปฏิสัมพิธาสามรอบหรือเจ็ดรอบก็ได้สั่งไม่เลยเว้ยเราต้องทําอ่ะแต่ว่าเหตุเราก็เห็นด้วยมาพลิกดูโอ้มันดีอ่ะแต่ว่าทําไมมันยากทํำไมอ่านไม่รู้เรื่องเลยอ่ะนี่ทํายังไงก็นั่งลอกนั่งลอกลอกลอกลอกลอกลอกไปแล้วเอ้ยหมดสมุดไปหลายเล่มก็หลายเล่มมากเลยแหละเกือบจะคืบมั้ง นั่งลอกกอูนั่นแหละยิ่งลอกไปหนังสือยิ่งอ่านแทบไม่ออกเลยนะไม่รู้เป็นยังไงแทนที่จะพัฒนาขึ้นกับเร็วลงนะนะแต่ว่านั่งรอกอยังไม่ปีหนึ่งก็ไม่รู้เรื่องปีสองก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยปีที่สิบสองเนี่ยนะปีนี้ปีที่สิบสองย น, นะถามว่าเป็นที่พอใจไหมก็บอกว่าเข้าใจแค่ไม่ถึงสิบเปอร์เซนตเนี่ยนะที่ต้องการร้อยเปอร์เ็นตในปฏิสัมพิธามักได้แค่ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นที่ต้องการ แต่ก็ยังให้ความสําคัญเพราะนี้ที่พูดนี้ก็มันนี่คือการเรียนปฏิสัมพินธของสอัมมาเหมือนกันเนี่ยนะก็เลยเป็นการมาเรียนเนี่ยนะมาเรียนแล้วถามว่าถึงปิดเรียนก็ไม่ใช่จะเลิกเลิกไม่ได้ว่างั้นเพราะว่าเราเลิกเมื่อไหร่เราก็เลิกเจริญสัมมาทิฐิเนี่ยนะเพราะนั้นคือเส้นทางของสัมมาทิฐิที่เป็นความเห็นที่ถูกที่ตรงที่พระพุทธเจ้ารับรองสรรเสริญที่พระสารีบุตรเอามาสแสดงเพราะถ้าเราเข้าใจตามนี้ทั้งหมดเราจะเข้าใจเลยว่า ทางดําเนินของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเช่นใดทางดําเนินของพระปฏิเจกพระพุทธเจ้าเป็นเช่นใดทางดาเนินของพระพุทธสาวกทั้งหลายมีภาษาริบบทพระโมฆลาณะเป็นต้นท่านเดินทางกันอย่างไรเราก็จะเห็นเส้นทางเดินของท่านเมื่อเราเห็นเส้นดังทางเดินของท่านแล้วเนี่ยนะเราเดินตามไม่เดินตามค่อยว่าอีกทีขอให้เราเข้าใจก่อนเถอะว่าท่านเดินเส้นไหนท่านเดินทําไมทําไมท่านจึงคิดอย่างนั้นท่านคิดอย่างนั้นแล้วดีวิเศษอย่างไรเนี่ยนะ อยากรู้อยากเข้าใจจริงๆเพราะไอ้ความเห็นของปุถุชนนี่เราเข้าใจแล้วละ่ะที่แน่ๆยิ่งเห็นยิ่งเห็นเรื่องไหนก็กลับที่กลับมาก็เหมือนกับว่าทุกทั้งนั้นน่ยที่ที่เห็นเนี่ยนะจบลงด้วยความทุกขจบลงด้วยโศกปริเทวะทุ ก, กโทมนัสและอุปายาตแต่ความเห็นของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นท่านบอกว่าท่านมีความสุขมากไปที่ไหนท่านก็บอกสุขเนาะสุขเนอะเนี่ยนะแล้วท่านอยู่ป่า ก, ก็บอกว่ามีความสุขอยว่บ้านท่านก็บอกว่ามีความสุข ที่ไหนที่ท่านอยู่ที่นั่นเป็นที่ที่มีความสุขหมดทมําไหล่ะหรือเรารังเกียจความสุขละ่ะนะเราไม่รังเกียจความสุขหรอกแต่เราอยากรู้ว่าเส้นทางแห่งความสุขเราที่ท่านเหล่านั้นเนี่ยดําเนินเป็นอย่างไรบางคนเขาบอกว่ายากไอ้ยากนี่มันยากใจหรอกเนื้อหาจริงๆอ่ะถ้าถ้ายากจริงไม่มีใครเขาทำหรอกแต่นี่แสดงว่าดีเคยได้ยินไหมว่าพระผู้อ่ะเขามีอยู่ในสูตรหนึ่ง เชื่อว่าธรรมเจติยสูตรในความเป็นธรรมดีของพระธรรมเนี่ยนะถ้าสงสาวกของพระพุทธเจ้าสมัยพุทธกาลไม่มีใครปฏิบัติด้วยหน้าหงิกหน้างอหน้าเงา่าหน้าเครียดหน้าบึ้งหน้าตึงไม่มีเทนะ่านั้นมีแต่ท่านเหล่านั้นต้องมีความสุขท่านต้องเห็นอะไรสักอย่างที่มันดีเป็นแน่ท่านจึงยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ในป่าอย่างมีความสุขเพราะท่านเหล่านั้นไม่ใช่คนธรรมดาเพราะคนที่พูดคํานี่ยคือพระเจ้าเประเซนที่โกศล ออกมาพู่เลยว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ามันต้องดีแน่เพราะท่านเหล่านั้นเป็นกษัตริย์มหาสานพราหมมหาสารเป็นบุตรเศรษฐีครือ บ, บดีเป็นคนที่อยู่ในวัยหนุ่มเป็นต้นเนี่ยนะที่ปกติแล้วก่อนจะมาบวชท่านเหล่านั้นคือผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยก ร, รมมาสุขข้างหลายท่านมาอยู่ในป่าได้ยังไงแล้วท่านอยู่อย่างคนมีความสุขสุขจริงๆแหละแล้วมันสุขยังไงเนี่ยนะอันนั้นคือความน่าอัศจรรย์ของพระธรรมอันนั้นก็คือสัมมาทิฏฐิ ความน่าอัศจรรย์ของสัมมาทิฏฐิความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเนี่ยบอกว่าผู้ที่เจริญถูกมีแต่ปีติและสงมนัตไม่ได้มีความเสียใจเลยมีแต่ความสุขอย่างเดียวเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เรียกว่าความสุขอันนั้นเนี่ยเป็นความสุขที่ไม่มีโทษเป็นความสุขที่เป็นอมตะเป็นความสุขที่ดีจริงๆเนี่ยนะนี่เราอยากคิดตามแบบท่านอ่ะท่านคิดยังไงอะไรยังไงเนี่ยนะ นั่นก็สมาทานธรรมังสารนังคัฉ า, ามิขอเอาแนวทางนี้ก่อนอันนะเมื่อเรานับถือทึ้งที่สุดไม่ดีจริงแล้วค่อยเลิกเนี่ยนะเมื่อจําได้ทุกคําเข้าใจทั้งหมดเป๊ะหมดแล้วคิดตามท่านในทุกกระบวนทุกกระเบียดทุกตารางมินเนี่ยนะคิดได้ตามท่านขยายได้เท่าท่านหมดเข้าใจเหมือนท่านหมดแล้วไม่ดีจริงแล้วค่อยว่าอีกทีแต่ตอนนี้มันได้แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะแต่ว่าให้มันได้ร้อเปอร์เซ็ต์ก่อนแล้วค่อยว่าอีกทีหนึ่งพันก็พันตั้งใจสมาทานอธิษฐาน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 รู้สิ่งที่ควรรู้ยิ่งสิ่งที่ควรกําหนดรู้สิ่งที่ควรละสิ่งที่ควรเจริญสิ่งที่ควรทําให้แจ้งนี้เหตุอันนี้เป็นส่วนแห่งความเสื่อมนี้ส่วนแห่งความลารงอยู่นี้ส่วนแห่งความพิเศษวิเศษยิ่งยิ่งขึ้นไปนี้ส่วนแห่งการชําแรกเกลเอดนี้อันนี้จังเพราะสิ้นไปทุกขังเพราะหน้ากลัวอนัตตาเพราะไม่มีสาระนี้ทุกนี้ทุกขสโมทัยนี้ทุกขานิโรดนี้ทุกขานิโรธคาไมนีปฏิปทาอันนี้เป็นสุดตามยายนเมื่อเราเข้าใจ สุตวานสังวเรปัญญาสีละมะเยยยานังเมื่อเข้าใจตามนั้นเสร็จสังวรตามนั้นเป็นสีละมะยายานเมื่อสังวรแล้วกท็ทําจิตให้ดำรงมั่นไม่ฟุ้งซ่านเป็นสมาธิภาวนามะยะยานให้จิตดำรงมั่นจิตเป็นสมาธิเมื่อจิตดำรงมั่นเป็นสมาธิอย่างนั้นแล้วกำหนดปัจจัยนะนะปัจจยปริกะหายาเมื่อกาหนดปัจจัยแล้ว พิจารณาทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นต้นโดยสังเขปโดยอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นเป็นสัมมาสนญาณพิจารณาเหตุเกิดและความดับของสังคตธรรมทั้งหลายก็เป็นอุทยพยัยญาณเนี่ยนะพิจารณาเห็นแต่ความสิ้นไปความเสื่อมไปความแตกทำลายไปก็เป็นวิปัสสนาญาณเห็นวัตตะเหล่านี้เป็นของน่ากลัวก็เป็นอาทีนวายานเนี่ยนะอาทีนวายาณ นิพิธายานสลับกับสันติวรบทยานสันติบทยานเนี่ยนะยานที่ตรงกันข้ามแล้วพิจารณาเป็นสังขารุเปขายานอนุโลมายานโคตรภูยานแล้วก็มัคคยานเนี่ยนะมัคคยานผลายานจนถึงวิวมุตติยานวัตถุนาัตนา น, า, ตานัตยานเป็นต้นก็ให้ความเห็นของเราเนี่ยขีดเป็นไปตามร่องที่ท่านพระสารีบุตรท่านท่านวางเอาไว้อย่าลืมว่า ความเห็นอันนี้เป็นความเห็นมีเฉพาะของพุทธสาวอขระพุทธเจ้ากับของท่านพระพุทธสาวกเท่านั้นนั้นถ้าเรามีศรัทธาเห็นว่าความเห็นนี้เป็นความเห็นที่ดีเป็นความเห็นที่ถูกต้องเป็นความเห็นที่ควรเจริญเราต้องเห็นอย่างนี้ให้ได้อย่างนัเราต้องเห็นอย่างนี้ให้ได้อการเห็นอย่างนี้แล้วเอามาเจริญตามนั่นแหละเป็นองค์แห่งประธานนะเรียกว่าองค์อันเป็นประธานแห่งความบริสุทธิ์เก้าอย่าง นี่คือหนทางแห่งความบริสุทธิ์น่าเอามาคิดนะว่าถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องเส้นทางดำเนินของเราต้องเป็นไปเส้นนี้แหละมามาดาูในหมวดเก้าก่อนเนี่ยนะเอาอธิบายหมวดแปดกับหมวดเก้าสลับกันนะควบคู่กันไปว่าหมวดเก้าคือนะวะปริสุทธิ์ที่ประธานนี้ยังขานิองอันเป็นประธานแห่งความบริสุทธิ์เก้าอย่างมีอะไรบ้างหนึ่ง สีละวิสุทธิสองจิตตวิสุทธิสมทิฏฐิวิสุทธิ4กังขาวิตรณวิสุทธิหมัมคามคะยาณทัทสนวิสุทธิ6ปฏิปทายาณทัทสนวิสุทธิ7ญ็ดยัทสนวิสุทธิ8ปดปัญญาวิสุทธิ9้าวิมุตติวิสุทธิความบริสุทธิทั้ง9้าอย่างนี่นี่มีปัญญานี่คือเส้นทางของสัมมาทิฏฐิว่าสัมมาทิฏฐิเขาเดินแบบนี้ ลำดับความเจริญเติบโตในการปฏิบัติต้องเป็นไปตามนี้ปัญญาของเราถ้าจะเจริญก็ต้องเจริญอย่างนี้จะใส่ชื่อหรือไม่ใส่ชื่อปัญญาก็ต้องเป็นไปตามทิศทางนี้จึงจะเป็นความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ที่ถูกต้องแล้วเราเข้าใจแบบนี้ไหมเราเห็นแบบนี้ไหมเป็นต้นเนี่ยถ้าเราจะมาถามเอาถ้าเราไม่เห็นแบบนี้ก็แสดงว่าความเข้าใจเราไม่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะอย่างมาดูข้อแรกก็บอกว่า สีแลวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งศีลที่เป็นองค์เป็นประธานแห่งความบริสุทธิ์การเดินทางเนี่ยนะสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตะสัมมาอาชีวะนี่เป็นมรรคไหมเป็นนั่นแหละคือสีลวิสุทธิเนี่ยนะเราเห็นว่าสิ่งที่คําที่พูดทุกคําเนี่ยคือการเดินทางไหมให้ความคิดว่าคําพูดทุกคําเนี่ยคือการเดินทางของเราไหมทุกๆสิ่งที่เราขยับตัวเลยนะกายกรรมวจีกกรรมเนี่ยนะ ทั้งกายกรรมวจีกรรมคือการเดินทางอ่ะเพราะเป็นมัจถ้าพูดผิดทำผิดมิฉามัจถ้าพูดถูกทำถูกเป็นสัมมามัจทางผิดกะทางถูกอยู่ที่คำพูดเนี่ยแล้ววันหนึ่งเราไม่พูดได้ไหมบอกพูดเป็นกลางๆไม่ผิดไม่ถูกมีไหมไม่มีไม่มีหรอกไอ้พี่ว่าไม่ผิดไม่ถูกทุกอย่างไม่ผิดก็ถูกคำพูดที่หลุดออกมาหนึ่งคำเนี่ยจะเออจะอ้าจะอะไรก็ช่างตลอดจะหนึงพูดเยาะเย้ยเนี่ยนะไม่ผิดก็ถูกมันก็มีอยู่สองอย่างแค่นั้นแหละ เราขยับตัวจะยกมือยกแขนขยับตัวหันซ้ายหันขวาจะเดินหรือจะนั่งจะนอนจะเหยียดจะคู่จะอะไรก็ช่างเถอะนั่นนอะไม่ผิดมันก็ถูกเพราะเป็นกรรมปันตะเป็นกายก็ออกมาเป็นกายกรรมกับวิจิกรรมเนีย่ยนะกายกรรมกับวิจีกรรมนั่นแหละถ้าถูกต้องนั่นเป็นศีลถ้าผิ ด, ถ, ผดถ้าผิดก็ไม่ใช่ศีลถ้าผิดก็ทุศีลถ้าทําดีทําถูกความสุขถ้าทําผิดทุก นนะเครียกว่าวัดตาเนี่ยนะเขาไม่ได้วัดกันที่แบบแก้แหวนเงินทองแต่เขาวัดที่สุขทุกข์ที่จะจะต้องรับผลในอนาคตท่าน อ, อพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ท่านจะรับสุขรับทุกตามสมควรแก่สิ่งที่ท่านทําตามสิ่งที่ท่านพูดตามสิ่งที่ท่านทําแต่ถ้ามาให้ผลแน่นอนนัอ่งองศริยมรักษอันนั้นถ้าให้แน่นอนแต่ว่าชีวิตจะสุขจะทุกข์ข้างหน้า น, นี้ตามสมควรแก่ เหตุที่เราทําตามสมควรแก่กรรมที่ที่เราทำํำนั้นเหตุตอนนี้เป็นอย่างไรนั่นคืออนาคตต่อไปพะนั้นสิ่งที่เราทํำนี่กําหนดได้เลยว่ากําลังสร้างเหตุแห่งสุขหรือทุกข์เพราะคําที่พูดทุกคําสิ่งที่ทําทุกทำการกระทําคือมัจใช่ไหมเป็นมัจถ้าทําถูกเป็นสัมมามัจถ้าทําผิดเป็นมิจฉามัจถ้าทําถูกเป็นศีลวิสุท ธ, ธิเป็นองค์ที่เป็นประธานแห่งความ บริสุทธิ์อย่างไรชื่อว่าความบริสุทธิ์ทางวาจาอย่างไรชื่อว่าเป็นความบริสุทธิ์ทางทางกายความบริสุทธิ์ทางวาจาต้องคําต้องเป็นคนที่สามารถใช้คําพูดและคําพูดหนึ่งจริงคําพูดนั้นจริงสองคำพูดแล้วไม่สร้างความแตกแยกให้แก่ผู้ใดสามถ้อยคํานั้น หมายถาว่าตัวเองก็อยากฟังคําแบบนี้นะอยาบไม่อยาบเขาบอกว่าคนคนพูดเองอยากฟังไหมล่ะคํานั้นอ่ะเขาวัดกันตรงนั้นว่าอยาบหรือไม่อยากเขาบอกว่าอาจจะน้ําเสียงอาจจะอะไรก็ช่างเถอะคํานี้ถ้าคนอื่นพูดกับตัวเนี่ยชอบไหมอันนี้ก่อนอันนั้นพูดนั้นว่าอยาบหรือไม่อยากมาดูว่าถ้าคําเหล่าเนี้ยคนอื่นพูดแล้วเราเป็นคนฟังอ่ะจะเป็นยังไงถขาบอกเออก็ไม่เห็นมีอะไรถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าคนพูดก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยาบคํานั้นก็ไม่เชื่อว่าคําหยากนี่แหะ นี่ต่อไปข้อสี่มีประโยชน์ไหมรู้ไหมว่าคํานั้นเนี่ยมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ทําลายประโยชน์หรือเพิ่มพูนประโยชน์คําพูดที่ประกอบไปด้วยองคศนีนี่แหละเรียกว่าสัมมาวาจาเป็นคําพูดที่ไม่เดือดร้อนในภายหลังแน่นอนให้ผลเป็นความสุขและการกระทําของเราละ่ะทุกอย่างที่เรากระทาเนี่ยมันมันดำเนินไปสู่ความสุขแน่นอนนั่นเป็นศีลวิสุทธิเป็นศีลวิสุทธิ์ส่วนรายละเอียดเดี๋ยวไปเรียนในศีลม ย, ยาญาณอีกครั้งหนึ่ง ทีนี้ต่อไปจิตตวิสุทธิเนี่ยความบริสุทธิ์แห่งจิตอันเป็นองค์เป็นประธานแห่งความบริสุทธิ์เนี่ยนะเป็นองค์เป็นประธานเป็นที่ตั้งแห่งความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์องค์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความเพียรองค์อันเป็นที่ตั้งแห่งการปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์ก็คือความบริสุทธิ์ใจจิตตวิสุทธิเนี่ยนะบริสุทธิ์ใจใจที่บริสุทธิ์อันนี้หมายถึงอะไร ความบริสุทธิ์ใจอันนี้คืออานาพิชชาอัพยาบาทและตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะแต่ตรงนี้เน้นพิเศษคืออานาพิชชากับอัพยาบาทใจที่มุ่งกำจัดความโลภใจที่มุ่งกำจัดความโกรธเรียกว่าจิตตวิสุทธิความบริสุทธิ์ของใจใครที่จะกันความโลภไม่ให้เข้ามาได้ใครที่สามารถกันไม่ให้ความโกรธทะลักเข้ามาอันนั้นมีปัญญาประกอบอยู่แล้วแต่ที่แน่ๆว่าอะโลภะ มุ่งกำจัดความโลภอโทสะตัวที่มุ่งกำจัดความโกรธดำรงมั่นตั้งมั่นเป็นไปอย่างนั้นแหละเป็นจิตวิสุทธิเป็นความบริสุทธิ์ใจที่รองรับคุณธรรมชั้นสูงเป็นองค์แห่งการปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์ต่อไปที่ฐิทิฏฐิวิสุทธิเป็นความเห็นที่บริสุทธิ์เนี่ยเป็นความเห็นที่บริสุทธิ์หรือบริสุทธิ์แห่งทิฏฐิเป็นความเห็นที่บริสุทธิ์ อ่ความเห็นที่ไม่บริสุทธิ์นี้แปลว่าแปลว่าอะไรแปลว่าถูกเคลือบถูกฉาบด้วยอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งความเห็นบริสุทธิ์ตรงนี้คืออะไรเห็นเป็นขันเป็นอายตนะเป็นธาตุเป็นสัตว์เป็นอินทรีย์เป็นปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นะแต่ที่แน่ๆตรงนี้เน้นพิเศษคือเห็นโดยความเป็นขันอายตนะธาตุขันอายตนะธาตุเป็นที่ตั้งแห่งบัญญัติโวหารภาษาทั้งหลายแต่พื้นเพความเป็นจริงคือขันอายตนะและธาตุ ความเข้าใจว่าเบื้องลึกที่สุดของสิ่งเหล่านี้จริงๆก็คือขันอิยตนะาธาตุทุกทวารคือขันอิยตนะาธาตุ น, นะแยกแยะเข้าใจสิ่งเหล่านี้อย่างละเอียดแล้วเข้าใจด้วยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งวโวหารเป็นที่ตั้งแห่งคําพูดเป็นที่ตั้งแห่งการสื่อสารแต่ข่าที่เป็นจริงความเป็นจริงคือขันอิยตนะาธาตุที่จริงมันมัน ค, คล้ายๆกับไ อ, ไอไวิชาพวก วิชาพว ก, กเกษตรนะนะสายกเกษตรอย่างเขามองเห็นดินเนี่ยเขาบอกว่าดินเนี่ยประกอบด้วยอะไรแล้วปุ๋ยปุ๋ยตัวนี้มันมีอะไรต้นไม้นเนี่ยมันมีอย่างอย่างบางอย่างเนี่ยที่เขาเอาใบไม้เนี่ยใบไม้เนี่ยใบเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะมีโปรตีนเท่าไหร่มีวิตามินอะไรเขาก็จะวิเคราะห์แยกใบเลยนะแยกใบว่าในองค์ประกอบของใบแต่และอย่างแต่และอย่างเป็นอย่างไรฉันใด ในทางธรรมะเราก็เหมือนกันว่าวิเคราะห์วิจัยชีวิตที่เป็นจริงเนี่ยนะทั้งภายในและภายนอกโดยความเป็นขันอายตนะธาตนนาุวิจัยรอบรู้ในอดีตก็คือขันอายตนะธาตุอ น, นาคตก็คือขันอายตนะธาตุโดยที่ไม่มีความเข้าใจที่สับสนปนเปเลยว่าพื้นความความจริงมันคืออย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะอันนี้เป็นความเป็นความเห็นที่บริสุทธินะเป็นความเห็นที่ตรง เป็นความเห็นที่ถูกต้องว่าความเป็นจริงน่ะมันคืออะไรอย่างนาฬิกาที่มันเดินได้เราเห็นว่าใครอยู่ในนั้นไหมแต่ก็เข้าใจว่าระบบของมันน่ะคืออะไรระบบของชีวิตที่อย่างเช่นระบบของชีวิตเมื่อตามองเห็นหูได้ยินเนี่ยมันมีองค์ประกอบด้วยอะไรบ้างเป็นขันอะไรเป็นอายตนะอะไรเป็นธาตุอะไรไม่สับสนซับซ้อนเนี่ยอันนั่นแหละเป็นความเห็นที่ถูกต้องว่ามันเป็นอย่างนี้แหละ แต่แล้วก็มาสาวต่อไปว่าข้ามพ้นความสงสัยเรีวยกว่ากังขาวิตรณวิสุทธิวันนี้เป็นปัญญาทั้งหมดเนี่ยนะเป็นทางเดินของสัมมาทิฏฐิว่เป็นสัมมาทิฏฐิที่ถูกที่ตรงนะที่ดําเนินไปเพื่อความพ้นทุกข์นี่ก็จะเห็นว่าข้ามความสงสัยกังขาวิตรณะเนี่ยนะข้ามกังขาแปลว่าสงสัยวิตรณะแปลว่าข้ามความบริสุทธิ์ด้วยการข้ามความสงสัยถ้าเราจะสงสัยก็สงสัยอะไรสงสัยขันอายตนะที่เป็น อดีตสงสัยขันอายตนะที่เป็นอนาคตสงสัยในขันอายตนะธาตุทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตแล้วก็สงสัยอีกและสงสัยในกรรมและผลของกรรมเรียกว่าสงสัยในปฏิจจสมุปบาทสงสัยในเหตุสงสัยในผลสงสัยแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าผู้เอาสิ่งเหล่านี้มาสอนสงสัยว่าคําสอนเหล่านี้นําออกจากทุก์ได้จริงหรือสงสัยว่าพระสงค์เนี่ยเขารู้จริงกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ก็จะเต็มไปด้วยความสงสัยทีนี้วิจารณะ ให้ควรอย่างไรจึงจะข้ามความสงสัยอันนั้นออกไปได้ก็ก็พื้นฐานก็มาจากว่าเมื่อกําหนดว่าอดีตอนาคตปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ก็คือขันธ์อายตนะธาตุขันธ์อายตนะธาตุเหล่านี้ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันก็เชื่อมโยงกันโดยความเป็นเหตุและเป็นผลอดีตแต่เหตุปัจจุบันในผลปัจจุบันในเหตุก็อนาคตผลตามแนวโลกะนิโรทัสูตามปฏิจจสมุปบาทเป็นต้น ถ้ามีความรู้ความเข้าใจอย่างนั้นอย่าง أ أ, เข้าใจเป็นอย่างดีก็ข้ามความสงสัยทั้งที่เป็นอดีตข้ามความสงสัยทั้งที่เป็นอนาคตข้ามความสงสัยทั้งที่เป็นปัจจุบันแล้วไม่สงสัยด้วยว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งเหล่านี้จริงหรือเปล่าไม่สงสัยคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนว่าจริงหรือเปล่าไม่สงสัยในความปฏิบัติของพระสงค์ทั้งหลายสาวกของพระองค์ทั้งหลายมีพระสารีบุตรเป็นต้นว่าท่าน ปฏิบัติจริงหรือเปล่าข้ามความสงสัยไม่รู้จะสงสัยไปทําไมอย่างที่เขาบอกว่าคนมีคนที่รู้จักกันมาดีเนี่ยมองพอมองเห็นหน้าเนี่ยเราสงสัยไหมว่าเข้าเป็นใครมาจากไหนไม่สงสัยอ้าทําไมล่ะฉันใดก็ดีชีวิตที่เป็นจริงถ้าเกิดการไขครวญอย่างละเอียดถี่ถ้วนอย่างละเอียดเต็มที่แล้วเนี่ยนะข้ามความสงสัยไม่รู้จะสงสัยไปทําไมไม่มีอะไรเป็นที่น่าสงสัยว่าอดีตสงสัยในเกี่ยวกับอดีตไม่สงสัย เพราะอะไรอดีตก็คือขันอาญาตนาธาที่ไหลสืบเนื่องกันไปตามเหตุและผลอนาคตก็คือถ้ามันจะเป็นไปก็เป็นลําดับแห่งขันอาญาตนาธาที่ไหลไปสืบเนื่องการตายไ ป, ปตามเหตุและผลปัจจุบันนี้ก็คือลําดับแห่งขันอาญาตนาธาที่ไหลสืบเนื่องกันตายแห่งนะพระพุทธเจ้าตรัสในลักษณะนี้ว่าสงสัยไหมว่าอดีตเนี่ยนะชรามรณะก็มีชาติเป็นปัจจัยสงสัยไหม สงสัยไหมว่าอนาคตต่อไปเนี่ยนะมันก็คือชะรามรณะที่มีชาติเป็นปัจจัยปัจจุบันนี้สงสัยไม่ว่าชราและมรณะเหล่านี้ก็มีชาติเป็นปัจจัยสงสัยไหมมันน่าสงสัยไหมไม่สงสัยมันน่าสงสัยต่อไปอีกไหมว่าในอดีตเนี่ยชาติมีพบเป็นปัจจัยไม่สงสัยนะอนาคตเนี่ยสงสัยไหมว่าชาติก็มีพบเป็นปัจจัยป <c ười> ัจจุบันนี้ที <c ười> ่เกิดเนี่ยก็เพราะมี พบเป็นป ja. ัจจัยอดีตสงสัยไม่ว่าพบมีอุปาทานเป็นปัจจัยอนาคตก็พบมีอุปาทานเป็นปัจจัยปัจจุบันที่กําลังเป็นไปอยู่นี้พบก็มีอุปาทานเป็นปัจจัยสงสัยไหมว่าอดีตเนี่ยนะอุปาทานมีตัณหาเป็นปัจจัยอนาคตต่อไปเนี่ยมีอุปาทานนี่มีตัณหาเป็นปัจจัยปัจจุบันนี้อุปาทานก็มีตัณหาเป็นปัจจัยสงสัยไหมว่าอดีต ตันหามีเวทนาเป็นปัจจัยอนาคตเวทนาตันหามีเวทนาเป็นปัจจัยปัจจุบันนี้ตันหาก็มีเวทนาเป็นปัจจัยสงสัยแบบนี้ไหมในอดีตอนาคตและปัจจุบันถ้าเข้าใจอย่างนี้อย่างที่เรียกว่าไม่ไม่ไม่ติดไม่ขัดไม่สงสัยเลยเนี่ยนะเข้าใจอย่างดีนั่นแหละเรียกว่าข้ามความสงสัยในอดีตอนาคตและปัจจุบันเนี่ยนะไม่สงสัยแม้กระทั่งว่าผู้ที่ เจริญวิสุทธิเจริญบารมีสิบในขันธาตุอายตนะจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่สงสัยว่าผู้ที่เขาตรัสรู้เนี่ยเขาเอาคําสอนอะไรออกมาสอนแล้วนําออกจากทุกข์แล้วไม่สงสัยทางดําเนินของพระอริยสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติจนถึงความพ้นทุกข์แล้วเราก็ไม่สงสัยว่าคําสอนเนี่ยถ้าทําตามนี้จริงแล้วพ้นทุกข์จริงไหมก็ไม่สงสัยไม่สงสัยอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่สงสัยในปฏิจจสมุปบาท ไอ้คำว่าไม่สงสัยก็ไม่ได้แปลว่าตัวเองปฏิบัติได้แล้วนะใช่ไหมไม่สงสัยแต่ไม่ได้แปลว่าปฏิบัติได้ทั้งหมดนั้นยัง่งนะเพียงแต่เข้าใจยอมรับว่าเออมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆมันเป็นไปตามนี้แหละอดีตก็เป็นอย่างนี้อนาคตก็เป็นอย่างนี้ ป, ปัจจุบันนี้ก็เป็นอย่างนี้นี่แหละทีนี้ต่อไปเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็เห็นชัดเลยว่าอะไรเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์และอะไรเป็นทางแห่งความไม่บริสุทธิ์อะไรเป็นทางถูกอะไรเป็นทางผิด มัคคบวกอะมัคคบวกยาณะบวกทัศนะบวกวิสุทธิเนี่ยนะมัคคะบวกอะมัคคะมัคคะแปลว่าทางผูกอะมัคคะแปลว่าทางผิดยาณทัศนะแปลว่าความรู้ความเห็นที่บริสุทธิ์ความรู้ความเห็นที่บริสุทธิ์ว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางแยกออกเลยว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางส่วนเมื่อรู้ว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางใครจะไปเลือกเดินทางผิดใช่ไหม นั่นแหละเดินแต่ทางถูกอย่างเดียวเรียกว่าปฏิปทายาณทนะัศนวิสุทธิเดินแต่ทางถูกเป็นเครื่องบริลดำเนินในยานที่เป็นข้อปฏิบัติที่ถูกที่ตรงที่ไม่ผิดไม่พลาดเลยนะดำเนินไปทางถูกอย่างเดียวดําเนินไปสู่ทางแห่งความพ้นทุกขโดยส่วนเดียวถ้าเดินทางถูกแล้ว่ความเห็นจะบริสุทธิ์ได้ไหมชําระความเห็นจนบริสุทธิ์นั่นแหละเป็น ญาณทัศนวิสุทธิอันนี้เป็นอริยมรรคญาณนะนะทัศยานทัศนวิสุทธิเป็นชื่อของโสดาปติมภถึงอรหัตมรรคแล้วก็ต่อไปปัญญาวิสุทธิเป็นความบริสุทธิ์แห่งปัญญาที่ไม่ได้เข้าใจอะไรผิดเลยนะนะเข้าใจที่เข้าใจอย่างถูกต้องแล้วก็วิมุตติวิสุทธิก็ความบริสุทธิแห่งความหลุดพ้นนะความบริสุทธิ์แห่งความหลุดพ้นก็คือสามัญญผลทั้งหลายเป็นความหลุดพ้นที่ถูกต้อง นี่มาขยายตามลําดับเนี่ยนะว่าเอความนาวะปาริสุทธิประธานนิยังคะกับมรแปดเนี่ยนะมรแปดเนี่ยมันจะอยู่ข้อเดียวคือในวิสุทธิเก้านะข้อไหนยาณทัศนะวิสุทธิอันเดียวถ้าถ้าเอาแบบสมบูรณ์นะสมบูรณ์เนี่ยอริยมรอันประกอบไปด้วยองค์แปดเป็นยาณทัศนะวิสุทธิอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าเราก็มาดูว่าเส้นทางของอริยมรอันประกอบไปด้วยองค์แปดมายัางไงเนี่ยนะก็มาตามลําดับ 6ขั้นตอนก่อนหน้านี้หขั้นตอนก่อนหน้านี้อริยมรรคยึงได้เกิดขึ้น